บางคนก็มีชีวิตนะมีความทุกข์เยอะบางช่วงก็มีความสุขชีวิตก็แก่งไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์คนประมาทคนไม่มีทางออกไม่มีธรรมะในใจเวลามีความสุขใจก็พองมีความทุกข์ใจก็แฟบไปเหี่ยวแห้งไม่มีทางออก ไปปล่อยชีวิตไปตามยะถากรรมคาว่าปล่อยชีวิตไปตามยะถากรรมนั้นก็ถูกเลยนะคือกรรมชั่วให้ผลมาได้รับความทุกข์ก็จมอยู่กับความทุกข์กรรมดีให้ผลมามีความสุขเลยหลงละเริองอยู่กับความสุขไม่ปล่อยชีวิตไปตามเวียนตามกรรม พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราแบบนั้นสอนให้เรายกระดับตัวเองขึ้นไปให้ได้ความสุขให้ผลมาเราไม่หลงระเริงความทุกข์ให้ผลมาเราไม่จมอยู่กับมันพยายามพัฒนาคุณภาพของชีวิตให้สูงขึ้นไปได้ยๆเราต้องตั้งใจไว้ว่าชีวิตของเราต้องทุกน้อยลงเราฝึกตัวเอง ่าต้องทุกข์ให้น้อยหกสั้นๆอย่าทุกข์นานถึงวันหนึ่งเราจะพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงเราไม่สามารถสั่งจิตให้พ้นทุกข์ได้หรอกหรือเราสั่งจิตนะว่าจงมีแต่ความสุขนะห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้สั่งว่าความทุกข์อย่ามาห้ามมันไม่ได้หรือสั่งให้มันบรรลุมรรคผล ก็สั่งไม่ได้จิตมันเป็นอนัตตามันสั่งไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับแต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้อย่างกวยบัวไกวยเป็นอนัตตามันไม่ใช่เราสั่งมันไม่ได้ตลอดเวลาหรอกแต่ฝึกได้ธรรมชาติของจิตนี้ก็เหมือนกันเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครหรอกมันเป็นไปตามเหตุ เป็นไปตามความเคยชินแต่มันฝึกได้งันอย่างบางคนเนี่ยมาอ้างบอกว่าชี้โมโหหนูต้องโมโหเพราะหนูเป็นคนชี้โมโหพูดดูแล้วเหมือนยอมรับความจริงว่าจิตเป็นอนัตตามันชี้โมโหหนูห้ามมันไม่ได้หรอกแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่นั้นท่านสอนว่าจิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกฝนได้ เราต้องฝึกถ้ า, าไม่ฝึกไม่เอาสีลเราทำมาฝึกจิตฝึกใจเรามารมันก็เอากิเลสมาฝึกจิตฝึกใจเราใจเราก็จะไหลลงต่ำไปเรื่อยๆใจที่ลงต่ำนั้นมืดบอดดำมัวหนักแน่นไม่มีความสุขเร้าร้อนงั้นเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราให้ดีนะไม่มีอะไรดีเท่ากับการฝึกตัวเองลง ไปฝึกคนอื่นไปบังคับคนอื่นก็อย่างนั้นๆั้นแหละามาฝึกตัวเองดีที่สุดสิ่งที่จะช่วยเรานะหลักสูตรที่พุทธเจ้าสอนให้ฝึกตัวเองนะท่านก็สอนเรื่องไตรสิกขาเป็นเรื่องการฝึกตัวเองเท่านั้นเลยไม่เคยมีศีลก็ฝึกให้มันมีศีลไม่เคยมีสมาธิฝึกให้มันมีสมาธิไม่มีสมาธิฝึกให้มันมีปัญญาเมื่อจิตมันมีศีลมีสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วเนี้ย อริยมรรคจะเกิดเองพระพุทธเจ้าท่านบอกนะกระทั่งอริยมรรคนะ่ก็ไม่มีใครทำให้เกิดได้พระพุทธเจ้าก็ทำอริยมรรคให้เกิดไม่ได้อริยมรรคมันเกิดเองจิตที่มีศีลสมาธิปัญญาแก่รอบแนละ้วอริยมรรคเกิดเองเมื่ออาทิตย์ก่อนนั้นก็มีพระมหาหลวงพ่อท่านพอนาเก่งกันมาส่งกันบ้าน บอกว่าเนี่ยท่านจิตมันทุกวันนะมันจะคิดว่าทำยังไงจะพ้นทำางไงจะพ้นจิตมันดิ้นทุกวันนะหาทางพ้นทุกคล้คยๆอ้อมไปรอบภูเขาเลยจะขึ้นเขาให้ได้อ้อมไปทางเนี้ยตรงนี้ท้าจะดีขึ้นไปขึ้นไปสักพักหนึง่งบอกนี่ไม่ใช่ทางต้องถอยลงมาใหม่อ้อมไปอีกนะไปเจออีกช่องหนึ่งเอขึ้นอีกช่องหนึ่งขึ้นไปหน่อยเดียวเขาบอกว่านีา่ i, ไม่ใช่ทางต้องถอยลงไปอีก เนี่ยท่านบอกว่าโอ้ยมันวนรอบภูเขาเนะมื่อไหร่มันจะเจอทางเมื่อไหร่มันจะขึ้นได้เมื่อไหร่มันจะหาทางได้หลวงพ่อตอบท่านอย่างตรงไปตรงมาหาให้ตายก็ไม่เจอไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตบรรลุเองนะแต่ว่าอยู่ๆไม่บรรลุหรอกเราต้องฝึกต้องอบรมมันไม่มีศีลต้องทำให้มีศีล ไม่มีสมาธิทำให้มีสมาธิไม่มีปัญญาต้องทำให้มีปัญญาตรงที่จะบรรลุได้ต้องมีปัญญาแก่รอบจะจิตถึงจะบรรลุธรรมเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาอยู่ๆไม่เกิดต้องมีสมาธิรองรับเพราะสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าไม่มีสมาธิปัญญาไม่เกิด สมาธิเกิดจากอะไรสมาธิมีความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิมีความสุขนี่ถ้าเรามีศีลมีธรรมนะใจมันมีความสุขมีศีลจิตใจมันจะมีความร่มเย็นเป็นสุขถ้าใจเราไม่มีศีลใจเราไม่มีความสุขอย่างใจคิดจะฆ่าเขาไม่มีความสุขใจคิดเมตตาเขามีความสุข ใจคิดจะรักขโมยเขาไม่มีความสุขนะใจคิดจะให้ทานมีความสุขใจคิดจะผิดลูกผิดเมียเขาไม่มีความสุขใจที่ซื่อสัตย์ในคู่ของตัวเองมีความสุขใจที่คิดจะปริ้นปล้อนหลอกลวงโกหกเขาด่าว่าเขาใส่ร้ายเขาโยโยงให้เขาแตกแยกกันนะไม่มีความสุขคนที่มีศีลคือมีสัจจะพูดความจริง พูดแต่ความจริงไม่ได้โกหกเป็นปล่อนหลอกลวงจิตใจมันมีความสุขคนเรามีสติไม่คิดเล่าเมายามีสติสัมัญชนญาอยู่มีความสุขคนไม่มีสติคิดเล่าเมายาไม่มีความสุขงนั้นเรามีศีลเราก็จะได้ทำาเรามีศีลข้อหนึ่งเราก็ได้เรื่องความเมตตากรุณามาเรามีศีลข้อสองเราได้เรื่องทานมา มีศีลข้อสามเราได้ทั้สันโดษมามีศีลข้อสี่เราได้สัจจะถ้าเรามีศีลข้อห้าเราได้สติสัมปชัญญะแล้วก็มันจะมีความสุขแค่คิดถึงว่าเรารักษาศีลจิตใจก็มีความสุขแล้วแต่ต้องรักษาให้ได้สักช่วงหนึ่งรักษาวันเดียวแล้วนึกถึงนะเดี๋ยวก็ผิดศีลอีกแล้วตอนเช้ารักษาไว้ตอนเย็นผิดศีล ก่อนนอนมานึกถึงว่าวันนี้เมื่อเช้ารักษาศีลไม่มีความสุขนะเพราะตอนบ่ายๆผิดศีลไปล้วแต่ถ้าอย่างเรารักษาศีลได้สักเดือนหนึ่งสองเดือนสเดือนคนโบราณฉลาดชวนถือศีลเข้าพรรษาอะไรถือไม่ได้ทุกข้อถือมันข้อเดียวเอาข้อเดียวให้มันเด็ดเดียวลงไปไม่ให้ขาดเลยข้ออื่นรักษากระพร่องกระแสงบ้างอย่างคนโบราณ ข้าพรษ า, มา ไ, ไม่กินเหล้าอะไรเงี้ยไม่กินเหล้าสามเดือนเอาพรรษา ม, มาได้นะนึกถึงว่าช่วงสามเดือนเนี้เอาชนะตัวเองได้จิตใจมันมีความสุขนะมันห้าวหารมันเบิกบานแต่จิตใจมีความสุขจิตใจมันก็มีสมาธิขึ้นมาเอ้ยพวกเราต้องมาพัฒนาจิตใจของเรารักษาศีลให้ดีเบื้องต้นตั้งใจรักษาไว้แล้วก็พยายามพัฒนาการรักษาศีลให้มีคุณภาพมากขึ้นมากขึ้น การรักษาศีลที่ดีนะลําพังรักษาที่มือที่เท้าที่ปากสองมือสองเท้าหนึ่งปากรักษายากต้องรักษาทั้งห้าอันรักษาอันเดียวคือรักษาใจให้ได้มีสติรักษาจิตสติทําหน้าที่รักษาจิตงั้นเราพยายามฝึกให้สติเกิดบ่อยๆสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจ อย่างกิเลสเกิดขึ้นสติรูทันกิเลสจะดับโบลภโกรดลงเกิดขึ้นสติรูทันโลภโกรธหลงดับเพราะกิเลสมันดับศีลอัตโนมัติมันจะเกิดคนทำผิดศีลเพราะถูกกิเลสครอบงำถ้ากิเลสไม่ครอบงำมันไม่ทำผิดศีลหรอกอย่างถ้าเรามีความเมตตากรุณาอยู่อย่างเงี้ยใจมันมีศีลมีมีธรรม ี่เลสมันครอบงำเราไม่ได้จะไปฆ่าใครไม่ได้ ใ, ใจเราคิดจะจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันไปขโมยใครไม่ได้ใจเรามีแต่ความซื่อสัตย์ในคู่ของเราม่ไปเป็นชู้กับใครไม่ได้ใจเรารักในความจริงไปโกหกหลอกลวงใครไม่ได้เราจะมีสติสัมชัญญะเราเห็นสติสัมชัญญะเป็นของสาคัญเราจะไปขี้เล่าเมายาไม่ได้ งั้นถ้าเราพยายามมีสตินะแล้วมีคุณงามความดีเกิดขึ้นในใจมันทำผิดศีลไม่ได้ศีลนัตโนมันมันเกิดขึ้นแล้วเวาเราเระลึกถึงเวลาเราเระนึกถึงว่าโอ้เราได้รักษ า, าศีลมาช่วงหนึ่งแล้วมันมีความสุขนะมีความสุขมากเลยใจิตใจที่มีความสุขมันจะสงบไม่เร่าร้อนมันจะทำความสงบง่ายตรงที่ทำมันสงบนั่ทสมถะ สมถาทำไปแล้วก็เกิดสมาธิสมถาก็คือให้จิตมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลเราก็อยู่ในอารมณ์มันนั้นไป ใ, นใจไม่หนีไปไหน ใ, นใจมีความสุขมีความสงบมากขึ้นมากขึ้นนะประณีตขึ้นประณีตขึ้นแล้วเราก็มาฝึกสมาธิชั้นสูงขึ้นไปอีกสมาธิมีสองระดับสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียว อันนี้เป็นการทําสมถะเอาไว้พักผ่อนอีกอันหนึ่งสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้เอาไว้เจริญมิปัสสนาไว้ทํำเจริญปัญญาเมื่อเราต้องพยายามฝึกตัวเองอยู่ๆจิตมันไม่มีสมาธิหรอกจิตของเราเคยชินที่จะฟุ้งสัน้นมันฟุ้งตลอดเวลานะเดี๋ยวก็ไปเร่องโ น, น้นไปเรื่องนี้ตื่นนอนมาก็ฟุ้งแล้วคิดเรื่องนอนคิดเรื่องนี้คิดเรื่องจะมาฟังเทศสารดวงชิน จะต้องรีบมาอยหาที่จอดรถยากใจจะมาอยากฟังเทศนะ์ใจก็ ร, ร้อนร้อนโอ้ต้องแย่งเงนจอดรถอนไรอย่านี้ลำบากหลืออยากนั่งหน้าไม่รู้จะนั่งทําไมนั่งข้างหลังก็ได้ยินเหมือนกันอยากนั่งหน้าโอ้ยตารีตารานมาเนะนี่ยโลภความโลภมันนํามานะรู้ทันมันนะ่พวกนั่งหน้าเห็นหน้าซ้ำๆของพวกนี้จองคิวเก่ง มาฟังเทศได้เดี๋ยวเดียวอยากไปที่อื่นลนะใจก็หนีไปและใจไม่อยู่กับปัจจุบันมันไม่มีความสุขอยู่กับปัจจุบันพยายามให้มันมีความสุขอยู่กับปัจจุบัน ม, มีสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวแม้แค่นี้ก็มีความสุขตั้งเยอะละหายใจออกก็ฟุ้งซ่านหายใจเข้าก็ฟุ้งซ่านคิดแต่เรื่องโน้นเรื่องนี้นะเดี๋ยวบลบกดลงก็เกิด กิเลสเกิดก็มาแผดเผาจิตใจเราเล้าร้อนไม่มีความสุขแล้วมาพยายามฝึกจิตใจฝึกให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวต้องฝึกถ้าไม่ฝึกมันก็หนีเพราะว่ามันหนีจนเคยชินแล้วจิตมันไปตามความเคยชินคือฟุ้งซ่านพวกเราฟุ้งซ่านเก่งทุกคนนะถ้าไม่ฟุ้งซ่านซะตัวเดียวไม่มาเกิดตรงนี้หรอกมาเกิดตรงนี้มันนั่งตาแป๋วแปวอยู่นี่ได้มาด้วยแรงของกิเลสนลั่นแหละ บางคนก็โทษพ่อแม่นะพ่อแม่ไม่ดีทำให้หนูเกิดวุ้ตัวเองแหละไม่เกิดกับพ่อแม่ของนี้ก็คงไปเกิดในท้องหมานะถ้ามันมีกิเลสะนะมันต้องไปเกิดนะนะยมาฝึกนะฝึกรู้สึกนะรู้สึกตัวคนที่ไปเกิดได้ใจมันไหลไปใจมันเคลื่อนไปเวลาจะตายมันมีจติจิตจติจิตเนี่ยมันไม่ใช่ออกจากร่าง อันนี้ไปเข้าล่างใหม่นะอันนั้นเป็นวิชาทิฏฐิจุติจิตเป็นจิตดวงสุดท้ายมันเคลื่อนเคลื่อนองไงเคลื่อนอยู่ที่ตัวมนันเองวัตตะมันหมุนเคลื่อนมานะแล้วก็ดับระดับลงไปมันก็เกิดจิตดวงใหม่เรียกว่าปฏิสนธิจิตเกิดจิตดวงใหม่ในภพใหม่ในชีวิตใหม่ขึ้นมา พปฏิสนที่จิตมันหมุนขึ้นมารับมันถ่ายทอดข้อมูลเดิมไปหมดเลยวิบากทั้งดีทั้งชั่วส่งทอดไปในขนาดเดียวนั้นเองในแว บ, บเดียวนั่นเองจุติดับลงปุ๊บปฏิสนที่เกิดขึ้นรับไม่มีช่องว่างเลยต่ อ, อันทันทีเลยส่งทอดข้อมูลนะส่งทอดข้อมูลไปพอปฏิสนที่จิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตจะลงรวัง ลงไปพักลงไปพักอยู่ช่วงหนึ่งพอขึ้นมาใหม่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะลืมพบปมเก่าๆไปหมดแล้วก็ขึ้นมาใหม่เป็นชีวิตใหม่ก็คิดว่าชาติก่อนไม่มีเพิ่งมาจากชาติก่อนแท้ๆไม่รู้หรอกตอนลงพลาังมันลืมไปหมดแล้วเนี่ยวัฏตะเนน่ากลัวนะ้็พยายามมาฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนืกับตัว ใ, ใจเข้ารู้สึก ใ, ใจออกรู้สึกฝึกไปและเวลาจนตัวเวลาจะตายธรรมะจะมาช่วยเราอย่างเวลาเกิดอุบัติเหตุรถคว่าพอเริ่มเกิดอุบัติเหตุนะครับรถไปอยู่ยางแตกแตกโป้งโป้งแรกตกใจพอรถมันหมนุนจิตมันถอดตัวมามาตั้งมั่นเด่นดวงด้วยมาแล้รถพลิกไปกี่รอบรู้หมดเลย หัวกาลังจะโขกฝาข้างนี้หลบซะหน่อยเฉียวแค่หูอย่างนี้นะจะช่วยตัวเองได้หรือเวลาเจ็บหนักจะตายเจ็บหนักจะตายคนที่ไม่เคยฝึกโอ้ยมันถูกความทุกข์บีบคั้ น, นทุรนทุรายจิตทุรนทุรายสุดท้ายก็ตายไม่ดีอย่างพวกเราฝึกของเราทุกวี่ทุกวันทําในรูปแบบไปนะฝึกให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเน้อกับตัว มีศีลมีธรรมอยู่เวลาเราจะตายตอนก่อนจะตายเนี่ยอาจจะตกอกตกใจนะแต่พอตอนที่รู้ว่าจะตายแน่นอนแล้วเนี่ยจะไม่ตกใจหรอกจิตที่เราฝึกของเราทุกวันทุกวันเนี่ยที่เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนมี่มันมาช่วยเราพอรู้ตัวว่าจะต้องสูญเสียจริงๆมันยอมรับการสูญเสียได้นะมันจะยอมรับได้ เนี่ยเป็นความอัศจรรย์ของธรรมะนะจะมาช่วยเราในยามขับขันได้ไม่เชื่อก็ลองดูนะลองดูลองดูแล้วจะรู้ว่าอัศจรรย์จริงๆเลยอันนี้คนแรกเลยที่ที่หลวงพ่อรู้นะว่าจิตมันช่วยได้แบบนี้นะศีลสมาธิปัญญาอะไรมันช่วยได้คนแรกเลยที่แสดงให้หลวงพ่อเห็นก็คือตัวหลวงพ่อเองว mm. ันนั้นขับรถไป ตอนนั้นยังไม่ได้บวชนนะ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าเนี่ยบันทึกเสียงไว้หลวงพ่อประโมทบอกหลวงพ่อขับรถไปนะตอนนั้นเป็นคาราวาสก็ขับรถไปจะไปดูนกปากห่างแถวปทุมอ่ะเราขับแต่นในกรุงเทพไม่เคยขับรถมา น, นอกไม้เสะพานที่หัวมันแบนๆ น, นะไม่รู้จักสะพานอย่างเนี้ยเคยเห็นแต่สะพานโคง้งกลมๆวิ่งก็กลมๆไปไม่กระทบกระเทือนเลยวิ่งไปเต็มเหนี่ยวเลยนะ ร้อยกว่าในชนสันสะพานรถนี่ล อ, อยลอยสี่ล้อเลยหัวนี่ขึ้นไปกระแทกเฟดานรถมองลงไปความตกใจไม่มีเลยนะพอกระเด้งขึ้นไปนี่นะจิตมันก็เป็นคนดูเห็นตัวลอยขึ้นไปกระแทกลังคารถมองลงไปข้างหน้านะพ้นจากสะพานไปอีกไม่ไกลนะเป็นโค้งหักศอก90ิองศาเลยหักแห่งนี้เลย ใจมันไม่ตกใจมันเหยียบเลยกลางอากาศเหยียบเต็มเหนียวเลยแล้วพอรถกระแทกพื้นนะไม่เหยียบเต็มที่แล้วค่อยๆแตะแล้วก็เลี้ยวไปได้นะไม่มีอันตรายนี่จิตที่เราฝึกของเรานะเวลาจวนตัวมันมาช่วยเราได้พยายามฝึกทุกวันต้องแบ่งเวลามาฝึกจิดฝึกใจอย่างน้อยต้องรักษาสีห้ได้นะ ถ้าจะตายจริงๆคิดถึงว่าเรามีศีลเราก็รอดตัวล้วบางคนเนี่ยดีกับชั่วพอๆกันถ้าคนไหนทำดีมากเวลาตายก็ไปสุขติเลยคนไหนความชั่วโดดเด่นเวลาตายก็ไปทุคติเลยพวกกัมกึงเนี่ยจะเจอโยมบาปา ะ, ะนั้นถ้าคนไหนไปเจอยมบาปเนี่ยพวกดีกับชั่วกัมกึงกันตัดสินไม่ขาด โยมบานต้องมาช่วยตัดสินให้โยมบานไม่ได้ดูร้ายนะนี่าไพเข้าใจผิดนะโยมบานใจดีมากเลยพยายามช่วยเต็มที่เลยพยายามบอกเราว่าเคยทำบุญอะไรมาบ้างล่ะนึกได้ไหมเคยไปสาราลุงชินจะมาช่วยนะนึกได้ค่ะตอนไปสาราลุงชินนะหนูเก่งมากเลยหนูแย่งนั่งหน้าได้ทุกที โ, โยมบาลฟังแล้วห่อเหี่ยวต้องถามใหม่ถึงหนูมาแย่งนั่งหน้าแต่หนูก็ตั้งใจฟังธรรมะใช่ไห ม, อ, มอ๋อฟังบ้างไม่ฟังบ้างค่ะเถียงมันทุกเรื่องเลยนะถ้าอย่างงี้โยมบาลก็ถอดใจเหมือนกั น, นช่วยไม่ไหวแต่ถ้าคนปกตินะอย่างพวกเราภาวนาของเรานะใจเราเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเวลามันเชื่อมข้ามภพไปเนี่ยไปเลยไม่ต้องมีใครมา ชักนํำไม่ต้องมีคนมาช่วยช่วยตัวเองได้มันก็ต้องฝึกช่วยตัวเองให้ได้ให้คนอื่นมาช่วยเราไม่ได้ประโยชน์เลยได้ประโยชน์น้อยฝึกช่วยตัวเองด้วยศีลด้วยธรรมของเรานี้แหละมาฝึกจิตฝึกใจของเราทุกวี่ทุกวันรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเราเรารู้ทันกิเลสครอบงําใจไม่ได้ศีลมันก็มา ถ้าหากจิเลตมันคล่อมงำแล้วมันอยากผิดศีลจริงๆแล้วอาศัยการข่มใจไวนะ้เพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยเราต้องถอยเตือนตัวเองตื่นนอนมาก่อนกินข้าวเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนมาวันหนึงสักรอบคอยเตือนตัวเองว่าเราจะตั้งใจรักษาศีลหนะ้า่สมมติว่าสติเราตามไม่ทันแล้วอยากฆ่ามันเต็มทีแล้วนะสติดูไม่ทันว่าจิตกาลังโกรธกาลังเงื้อมีดจะฆ่าเขาละ หนเงื้อมือจะตบเขานะแล้วเราก็มันความรู้สึกมันจะเกิดนะอย่าตบเขา้าอย่าตบเขา้ามันผิดศีลความรู้สึกเกิดนะแต่มือเนี้ยมันเคลื่อนแล้วบางทีเบรกไม่อยู่นะเคยไหมเห็นยุงกัดแล้วเราจะตบยุงแล้วเราก็ไม่อยากจะตบแต่ว่ามือมันหยุดไม่ได้นะเพราะามือเนี้ยรับออเดอร์จากจิตดวงก่อนไวนะ้มันยังไม่เปลี่ยนคําสั่งแล้วพยายามฝึกนะฝึกตา้งอกตั้งใจ เบื้องตก็ตั้งใจรักษาศีลศีลห้าพอแล้วนะไม่ต้องศีลมากมายหรอกเมื่อวานก็มีเพล้าหนึ่งมาส่งกันบ้านมาถึงก็มาถามหลวงพ่อว่า อ, อ, อผมพิจารณาแล้วเนี่ยศีลห้าเนี่ยก็ทําให้บรรลุมรรคผลได้ใช่ไหมครับหลวงพ่อก็บอกจะศึกเหรอมาถามนำํำหรือไม่อ่ามาหลอกเราไม่ได้กินหรอก ทำมาอ้างสีลห้าก็บาดู้ได้ใช่ไหมครับตัวเองอยากจะถือสี่ห้าแล้วนะนะบอกเป็นคารวาสกับเป็นพระนะมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันเป็นพระเนี่ยมีเวลาที่จะพอน่าเยอะแต่ข้อเสีย น, นะคือผัสสะมันไม่รุนแรงเป็นคารวาสเนี่ยอารมณ์ที่มากระทบเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเผ็ดร้อนรู้สึกไหมเผ็ดร้อนแต่บางคนมันชอบของเผ็ดนะนะ มันมันชีวิตอย่างพระเราจืดชืดรู้อยู่ไม่ได้มันชอบความเผ็ดร้อนผัสสะที่เผ็ดร้อนเนี่ยมันดูง่ายถ้ามีสตินะถ้ามีสติมันจะเจริญปัญญาได้ทั้งวันเลยเดี๋ยวก็กระทบมาเดี๋ยวก็โกรธละกระทบมาเดี๋ยวก็โลภละเห็นโกรธเกิดแล้วดับโลภเกิดแล้วดับดูอย่างนี้ได้งั้นเป็นคารวาสเนี่ยมันมีผัสสะที่รุนแรงขอเพียงแต่เรามีสตินะนะการภาวนาของเราไม่ช้าหรอกนะไม่ช้าเลย ไม่แพ้พระหรอกพระมีเวลาทั้งวันถ้าไปติดแต่ความสุขความสงบว่างๆอยู่ใช้เวลานานกว่าการวาดอีกแต่ถ้าพระรู้จักเจริญปัญญาถ้าจิตมันว่างไม่มีอะไรให้ดู ก, ด ก, ก็ดูกายดูกายถ้าจิตมันไม่ยอมดูกายก็พิจารณากายอะไรเงี้ยให้จิตมันทำงานไม่ยอมให้มันจิตติดนิ่งติดเฉยถ้าอย่างนี้พระท่านก็ไปได้แต่ว่าเพศของพระเนี่ยจะได้เปรียบโยม ในขั้นที่สามขั้นที่สี่นะขั้นที่จะขึ้นพระนาคาเนี่ยฆราวาสสู้ฟราไม่ได้ฆราวาสมันไม่เห็นโทษของกามกามมาคุนไม่เคยได้ยินนะกามมาคุนไม่เคยได้ยินกรรมากามมาโทษนะอยากกินได้กินอยากนอนได้นอนอยากนอน่ น, น, ก, น, นก็ได้อยากนี่ก็ได้สนองไปเรื่อยๆในขณะที่ฟรานะพอความอยากเกิดขึ้นที่ไรความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีเลยางคืนอยากกินส้มตำเนีย้ย จะทุกข์ไม่ทุกข์อ่ะนะทุกข์แน่นอนเลยในชะ่ไหมอยากได้ผ้าสวยๆอยากได้รองเท้าแบบโยมนะทุกข์แน่นอนเลยนะอยากได้วีสวยๆสักอันหนึ่งอนยะ่างนี้ไม่มีใครมาถวายสักทีอนนะี้กลุ่มใจนะแล้วนะนะนะเป็นพระนะมีต่กรรมมาโทษพรอความอยากเกิดแล้วมีแต่ความทุกข์เกิดส่วนเป็นโยมเนะี่ยความอยากเกิดก็สนอ ง, งความอยากแมืนรู้สึกสุขงั้นไม่เห็นหรอกว่า การนำความทุกข์มาให้ความอยากนําความทุกข์มาให้นะการเที่ยวสแสวงหากรรมนําความทุกข์มาให้ฆราวาสไม่ค่อยเห็นเห็นยากนื่องจะไปแพ้พราในขั้นนี้แหละขั้นสุดท้ายก็ยากมากเลยมันประณีตมากถ้าถึงเวลาภาวนาอยู่จะแตกหัก น, นั่นเดี๋ยวลายก็มาเฟสก็มาอะไรเงี้ยโอ้ไม่มีทางอะ่ะถ้าาพระเล่นในพวกนี้ก็ไม่มีทางเหมือนกันนะไม่มีทางเหมือนกันอะ งั้นเราเป็นฆราวาสนะเราพาวนาให้เต็มที่เราไม่ได้ด้อยเราไม่ได้ด้อยนะฆราวาสทำมรรคผลให้ให้เกิดได้อยู่ที่เราตั้งใจรักษาศีห์หคอศีห้เท่านั้นแหละไม่ต้องศีห์แปหรอกสีห์แ8รักษาม้างเดี๋ยวแปเปื้อ น, นถือแล้วก็ถือไม่ค่อยได้บางคนถือศีห์แปนะก็ไปข่มคนอื่นหลวงพ่อเคยเจอมาตั้งแต่เด็กอะ่ะพหลวงพ่อผู้ใหญ่พาเข้าวัดตั้งแต่เล็กๆนะ เข้าวัดจะเจอพวกคุณยายที่แกตือสีนแปนั่งโอยแกจะเซลจัดแต่สมัยนั้นเราไม่รู้ว่าเซลจัดนะเราจะรู้สึก อ, อีแก่นี่ขี้คุยจะรู้สึกอย่างนี้นะไม่รู้จักคำว่าเซลจัด อ, อีแก่นี่ขี้คุยช้นมัดเลยจะรู้สึกงั้นารักษาสีนตั้งใจนะเอาสีนห้าฟอแล้วถือสีนไม่ใช่เพื่อเอาไปข่มคนอื่น ถ้าเราถือศีลแล้วคนหนึ่งเขาไม่ถือศีนลนะเธอมันเลวชั้นมันดีไอ้ น, นี่ถือศีลไม่เป็นถือศีลแล้วกิเลสเกิดถือศีลเพื่อจะมาขัดเกลาวตัวเองไม่ต่ำตำใจกิเลสนะล้วก็มาฝึกทุกวันต้องทำในรูปแบบหายใจออกรู้สึกตัวห้ยใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวทำอะไรก็รู้สึกตัวไปเห็นรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจนี่แหละ รู้สึกมากมากนะใจมันมีสมาธิขึ้นมาสมาธิมฝึกได้หลายแบบนะถ้าอย่างเป็นพระมีเวลาเยอะก็ทําเต็มรูปแบบทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างทําอนาคานสติอะไรเงี้ยพอจิตมันสงบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแล้วนะจิตมันก็สงบสงบอย่างนี้มันจะทรงตัวเต็นดวงอยู่นานถ้าเข้าฌานถึงฌานที่สอง สองสมสี่ห้าขึ้นไปนตะั้งแต่สองตัวรู้มันจะตดดเด่นออกจากสมาธิแล้วนะตัวรู้เนี่ยจะทรงอยู่ได้นานหลายวันแต่เท่าที่ครูบาอาจารย์เคยสอนมาทรงอยู่ได้ไม่เกินเจวันก็เสื่อมเป็นของเสื่อมเหมือนกันสมาธิทุกชนิดนะเป็นของเสื่อมต้องซ้อมเร่อยๆนี่ถ้าพวกเราเข้าสมาธิเข้าชาญไม่เป็นนะก็ใช้วิธีรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่าน เวลาจิตม hey, okay. ันฟุ้งซ่านไปนะมันมีกิเลสคือความฟุ <N <N ้งซ่านอุทัจจะเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันว่าจิตมันฟุ้งซ่านเช่นจิตมันมีไปคิดเรารู้จิตนี้ไปคิดเรารู้เนี่ยตรงที่รู้นั่นแหะสติเกิดกิเลสก็ดับสมาธิก็เกิดมีสติรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็ดับสมาธิก็เกิดเพราะสมาธิกับความฟุ้งซ่านมันกลับข้างกันแต่สมาธิตัวนี้อยู่ช่วคราวอยู่สั้นๆเป็นคณิกะสมาธิ ขณะการสมาธินะ่ะมันคล้ายๆเราชาร์จแบตนะแบตเสื่อมเร็วมีแบตเตอรี่ไม่ดีแบตเตอรี่ปลอมอยู่ตัวหนึ่งใช้ไปต้าชาร์จอยู่ตลอดเลยสุดท้ายแทบจะว่าเสียบปลัก๊กแล้วถือจะโทรได้นะเอา อ, อกเอาปลัก๊กออกไม่ได้ไม่มีไฟนี่แบตมันเสื่อมเวลาที่มีขณะการสมาธิมันเหมือนเรามีแบตเสือเส่อมๆแบตเสือเส่อมๆว่าก็ชาร์จมันบ่อยๆก็แล้วกัน มันก็พอใช้งานได้แต่มันจะให้หรูหราสบายเหมือนที่เขอบได้อุปจารสมาธิได้อัปปนาสมาธิมันไม่ได้เท่าเขาหรอกสมาธิของเขาทรงตัวได้นานสมาธิของเราอยู่ชัว่วขณะแต่ทาเราทำยังไงอ่ะเราเราทำได้แค่นี้เราเข้าชานไม่เป็นเราก็ต้องทำเท่าที่เราทำได้เราเป็นคนยากคนจนในกรรมฐานเราเข้าชาญไม่เป็นเราก็พอนาแบบคนยากคนจนของเรานี่แหละ จิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ฝึกให้มากเลยนะถ้ามากๆเข้าไปตัวรู้มันก็จะค่อยๆเด่นขึ้นเด่นขึ้นมันก็พอภาวนาได้นะก็จะเห็นร่างกายส่วนร่างกายจิตส่วนจิตเมื่อทํางานไปนะะถ้าดูไปอย่างนั้นเรื่อยๆมันก็เดินปัญญาไปได้เหมือนกันดงนะนั้นต้องฝึกนะต้องฝึกจิตฝึกใจให้มีสมาธิถ้ามันฟุ้งซ่านน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่งกิเลส ถ้ามันไม่ฟุ้งซ่านแล้วเราทำกรรมาฐานอย่างหนึ่งคอยรู้ทันเวลามันแอบฟุ้งซ่านนะวันนี้สบายละไม่ฟุ้งอุตลุดพอจะดูได้ก็ามาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจอะไรเงี้ยแล้วจิตมันหนีไปคิดรู้ทันจิตห น, นีไปคิดรู้ทันฝึก อ, อย่างนี้ต่อไปเวลาจิตมันหนีเนเราจะรู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้เพราะอะไรเพราะสติมันจะเกิดเองสติเกิดจากจิตจาสภาวะได้แม่นนะ มั้นถ้าเราอยากให้สติเกิดเวลาที่จิตไหลไปเราก็ต้องหัดจาสภาวะที่จิตไหลให้แม่นพอจิตไหลปุ๊บสติจะได้เกิดเองนะทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตที่ไหลรู้บ่อยๆจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ฝึกทุกวันอย่าทิ้งนะยิ่งวันหนึ่งได้สักสองสามรอบยิ่งดีนะแต่รอบหนึ่งไม่ต้องนานนะไม่ต้องทํารอบละหลายหลชั่วโมงนะฝึกพอจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ย จิตมันจำสภาวะของการเคลื่อนไปได้การไหลไปได้ต่อไปพอไหลปุ๊บมันจะรู้ปรับนะสติมันจะรู้ขึ้นมาเองสมาธิมันจะเกิดเองเพราะมันไม่ไหลโดยไม่ได้บังคับนะไม่ไหลโดยไม่ได้บังคับถึงจะเป็นสมาธิถ้าไม่ไหลโดยบังคับไม่ใช้ไม่ได้นะยังไม่ดีพอแล้ว เ, เราต้องฝึกนะจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้เฝื่อเรื่อยๆนี่พอฝึกอย่างนี้จิตตั้งมั่นขึ้นมา แล้วก็เดินปัญญาอย่าไปตั้งมั่นอยู่เฉยๆจิตตั้งมั่นก็คือแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วแบตที่ชาร์จเต็มแล้วก็ต้องใช้งานคงไม่เพี้ยนถึงขนาดชาร์จแบตเล่นนใช่ไหมมีไหมชาร์จแล้วไม่เคยใช้เลยชาร์จโก้โก้ทุกวันชาร์จแบตแต่ไม่เคยใช้ประโยชน์เลยเพราะว่าไม่เคยโทรศัพท์เลยสมมอย่างนี้นะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรด้วยซ้ํำไปเห็นคนอื่นมีก็ต้องเอาบ้าง ต้องมีบ้างบางคนมีมากกว่าเครื่องหนึ่งอีนะชาร์จอันนี้ต่อชาร์ตอันนี้คอยดูเหลือกี่เปอร์เซ็นต์มาชาร์ตอีกนะ <c oughs> นี่เราเราฝึกนะเวลาจิตมันตั้งมั่นแล้วมันเือนแบดที่ชาร์จเต็มแล้วต้องใช้งานเมื่อก่อนมีครูบาจารย์องค์หนึ่งในนี้น่าจะมีรูปอยู่มีไหมหลวงพ่อทุยหลวงพ่อทูลหลวงพ่อทูล <c oughs> หลวงพ่อทูล หลวงพ่อทูนเคยเทศที่นี่แหละบอกว่าทำสมาธินะมันเหมือนเอาน้ำใส่ในถาดแล้วไปใส่ในตู้เย็นให้มันเป็นน้ำแข็งเอเป็นน้าแข็งเสร็จแล้วก็ออกมาจากช่องช่องฟริสเอามาไว้ข้างนอกให้มันละลายพอละลายเสร็จแล้วก็ไปใส่ช่องฟริสให้มันแข็งอีกนี่คือไอ้พวกที่ทำสมาธิทำสมาธิเสร็จล้วก็เลิก สมาธิแล้วก็จบอยู่แค่ทำสมาธินะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของสมาธิสมาธิก็เสื่อมไปก็ไปทำสมาธิอีกพอได้สมาธิมาแล้วก็เลิกก็ทำอยู่อย่างเงี้ยทั้งชาตินะไม่ได้ทำอะไรอะนอกจากเอาน้ำไปใส่ช่องฟริซแล้วก็เอาออกมาแล้วก็กลับไปใส่ใหม่บ อ, อกไม่ฉลาดเลยมันต้องเอาน้ำแข็งมาใช้ประโยชน์สิถ้าอยากทำอย่างนั้นถึงจะได้ประโยชน์เอาไปกินโอเลี้ยงก็ยังดีเห็นไหมเราทำสมาธิก็เหมือนกัน จิตใจเราตั้งมั่นอยู่กันเน้อกันตัวแล้วก็ต้องใช้ประโยชน์ประโยชน์อะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุดก็ต้องเอาวันนั้นแหละประโยชน์เล็กน้อยคือมีความสุขประโยชน์สูงสุดคือได้ปัญญาข้ออาของสูงสุดหวังอะไรก็หวังใหญ่ไว้อย่าไปหวังเล็กหวังใหญ่ต้องทำประโยชน์ที่สูงสุดเจริญปัญญาให้ได้เพระจิตใจอยู่กันเน้กัตัวนะ ดูธาตุดูขันทํางานให้ได้แยกธาตุแยกขันไปการแยกธาตุแยกขันนะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ในกายก้อนหนึ่งร่างกายก้อนหนึ่งจิตใจก้อนหนึ่งหรือเห็นละเอียดเท่าไห่อีกนะความสุขความทุกข์อยู่ที่ใจเกามีหรือเวลาความสุขความทุกข์เกิดที่ร่างกายจิตใจเกิดความยินดียินร้ายชอบไม่ชอบขึ้นมาเกิดราคะโทสะขึ้นมา ราคาโทสะก็เป็นอีกอันหนึ่งไม่ใช่ความสุขความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจนะค่อยๆแยกแยกแย ก, แยกไปดูเมื่อวานนะมีเรื่องหลวงพ่อรับประทับใจมากปรับปรือมมีเน้นเน้นตัวกับเปียกเดียวมาจากประเทศลาวเพื่อนฟังซีดีเนาะเพื่อนฟังซีดีวโอ้เ น, เ, นเน้นนพอน่าดี พอเห็นหน้าเน่นหลวงพ่อเขาเริ่มเทศเนี่ยเราดูกายนะสร้ากาดูผมนะผมสลายเหลือหนังศีรษะดูหนังศีรษะหนังศีรษะลอกออกไปเห็นหัวกระโหลกดูหัวกระโหลกนะหัวขาดไปเลยดูตัวลงมาเนื้อหนังหายไปหมดเลยเหลือแต่กระดูกดูกระดูกนะกระดูกระเบิดดูกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่นะดูลงไปอีกกลายเป็นคลื่นเป็นแสงเนี่ยเทศจบเน้นก็บอกเลย เนี่ยผมภาวนาผมเห็นร่างกายนะมันแยกออกไปกระใจนะผมผลเล็บฟันหนังแล้วมันแยกแยกแย ก, แย ก, แ, ยกแยกออกไปนะเหลือกระดูกกระดูกมันระเบิดครับแล้วมันกลายเป็นแสงจริงๆนะอย่างเงี้ยมันไม่กลายเป็นแสงจริงๆบอกอเออท่านเรนเห็นไหมล่ะพอมันเป็นแสงไปแล้วแสงมันก็วิ่งไปมันเหลือใจดวงเดียวเน่นบอกใช่เหลือใจอยู่ดวงเดียวโลกไม่มีเลยนะโลกไม่มีเลยมีใจดวงเดียว แล้วเนนเห็นไหมพอมันกลับมามีร่างกายแล้วเนนรู้สึกอยู่ตลอดเวลาเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะีร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันเนนบอกใช่ครับใช่ครับผมไม่รู้สึกเลยว่าว่าไอเ น, นี่ยเป็นอันเดียวกับจิตนะมันแยกขาดจากกันเลยอันนี้สําหรับคนที่ทําสมาธิมาดีนะจิตรวมจนกระทั่งร่างกายหายไปเนี่ยพอกลับมามีร่างกายแล้วมันจะรู้สึกว่ากายกับจิตเนี่ยแยกขาดจากกันไม่รวมกันอีกแล้วแต่ของพวกเราเนะี่ยสมาธิมัน สั้นจุดจู่เงินไดนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวมันก็แยกเดี๋ยวมันก็รวมนึกออกไหมมันไม่ผ่านอัปน า, านาะมันไม่ผ่านอัปนนาจนถึงฌานที่สี่นะถ้าต่อปนานาเราลึกเข้าไปถึงสูงขึ้นไ ป, ส, นไปสูงขึ้นไปนะสมาธิสูงขึ้นไปจนร่างกายหายไปโรคหายไปนะเขากลับมามีโลกมีร่างกายมันจะรู้สึกเลยโลกกับร่างกายเนี่ยโคนละนกับจิตพวกนี้จะภาวนาสบาย แต่ก่อนที่พวกนี้จะสบายพวกนี้ลําบากมาก่อนนะไม่ใช่อยู่ๆก็สบายมาแต่เกิดลงมาอยู่ๆก็ได้มาด้วยการเกิดไม่ใช่ทุกอย่างต้องฝึกฝนของตัวเองมานี่เด็กๆนะเด็กสิบกว่าขวบเองอนะ่ะตัวกับแยกเดียวัวมันส่งกันบ้านเสร็จนะเอพระกราบเสร็จเ น, เน้นน้ำกราบกราบแล้วผมพ่อไปรูปหัวนะเน้นน้ำตาตาแดงเลยปลื้มปลื้มปลื่มภาวนา เนี่ยเห็นกากับใจแยกกันพวกเราก็ต้องแยกนะแต่เดิมอ่ะมันเป็นศาสตร์ที่พวกเราไม่เคยได้ยินเราก็รู้สึกว่าอูพา้พภาวนาจนกายกับใจแยกจากกันเนี่ยคงจะยากไม่ยากหรอกทุกวันนี้มีคนฟังซีดีเดือนเดียวหัดภาวนาเดือนเดียวเนะีขันมันแยกได้เนี่ยเยอะแยะเลยโลกเศิษรล่นเก่าๆที่นั่งหน้าๆเนี่ยบางทีใช้เวลานานกว่าจะแยกนะ คนใหม่ๆบางที่ฟังซีดีเดือน2เดือนขันมันแยกแล้วเพราะแต่ก่อนไม่ค่อยเทศเรื่องพวกนี้พวกลูกศิษยรุ่นแรกเนี่ยเป็นพวกติดสมาธิมาก่อนต้องแก้พวกที่มาทีหลังเนี่ยเป็นพวกไม่ค่อยสนใจปฏิบัติงั้นไม่ได้มีสมาธิอะไรหรอกมีแต่ความฟุ้งซ่านเป็นเครื่องประดับนะเป็นอาภร <laughs> งั้นพวกนี้ใจป็นฟุ้งอยู่แล้วใจมันไม่ต้องแก้สมาธิหรอกแค่ฝึกให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัว แล้วก็สอนให้หน่อยเดียวว่าคอยดูสิกายกระใจมันคนละอันแค่นี้เขาก็แยกแล้วนะคนทั่วๆไปเนี่ยขันมันแยกอยู่แล้วนะเวลากิเลสเกิดเอกขันมันถึงจะมารวมกันปกติมันแยกนี่พวกเรานักปฏิบัตินะเราไปรวบเข้ามาหมดเลยพอไปรวบเข้ามาแล้วต้องมาฝึกแยกในขณะที่คนที่เขาภาวนาไม่เป็นเขาแยกอยู่แล้วมันเสียเปรียบเพราะตรงนี้แหละแต่พวกภาวนาไม่เป็นมันมีข้อเสียนะมันขี้เกียจภาวนา ถ้ามันขยันภาวนามคงภาวนา ม, มาก่อนแล้วละ แ, แล้วมันก็คงมาติดเหมือนพวกเราเนี้ยแหละเห็นไหมทุกอย่างไม่ได้มีข้อดีด้านเดียวข้อเสียด้านเดียวเใช่ไหมทุกอย่างมีทางบวกทางลบ อ, อยู่ในตัวเองเท่านะั้นเวลามองนะถ้ามองได้ทุกด้านเนี่ยไม่โกรธคนหรอกไม่โกรธคนอื่นนะแต่ละคนเขามีข้อดีเขามีข้อเสียพรากเราต้องฝึกนะเวลามองคนนะ่ะพยายามมองข้อดีเขาบ้างเราจะชอบมองข้อเสีย อันนี้เป็นธรรมชาติอย่างถ้าเราซื้อผ้ามาสักชิ้นหนึ่งนะสวยมากเลยถ้าผ้านี้มีอะไรดำๆติดอยู่นิดหนึ่งเราจะเบียนดูที่สกปรกอ่ะไอ้ที่สวยๆทั้งผืนเราไม่ดูนี่แบบเดียวกันนะคนอื่นเขาดีไงเราก็ไม่ดูนะถ้าเขาไม่ดีนิดหนึ่งเราเห็นชัดเลยเนี่ยพยายามดูทางบวกไว้ใจมันจะได้มีความสุขนะอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งแต่ยุคเนี้เป็นยุคที่ชอบจับผิดคนอื่นนะให้มาดูใจของเราเองให้มากๆหน่อยชีวิตนจะได้มีความสุ ข, ขกว่าเดี๋ยวนี้ ค่ๆฝึกนะฝึกแยกขันไปดูกายก็ส่วนกายใจก็ส่วนใจบางคนแยกกายแยกใจไม่ออกก็แยกความรู้สึกกับใจเห็นความสุขความทุกข์กับใจเป็นคนละอันเห็นโลภโกรธหลงกับใจเป็นคนละอันอย่างนี้ก็เรียกว่าแยกขันได้เหมือนกันก็สุขทุกข์ก็เป็นเวทนาขันใจเป็นวิญญาณขันดีชั่วโลภโกรธหลงเป็นสังขารขันเนี่ยถ้าเราเห็นมันแยกออกจากกันก็คือแยกขันได้อย่างน้อยต้องมีสอสองอัน ขัน้เนี่ยนะเวลาเราภาวนายังน้อยต้องแยกให้ได้สองในสองเนี่ยอันหนึ่งจะเป็นคนดูอันหนึ่งเป็นผู้แสดงใครเป็นคนดูจิตเป็นคนดูใครเป็นผู้แสดงก็ร่างกายแสดงความสุขความทุกข์เป็นผู้แสดงความจำได้หมายรู้เป็นผู้แสดงความปรุงดีปรุงชั่วเป็นผู้แสดงอย่างน้อยต้องแยกได้สองอันถ้าแยกได้2อันนี้ภาวนาได้แล้วมีอันหนึ่งเป็นคนดูอันหนึ่งเป็นผู้แสดง ครับฝึกชํานาญขึ้นนะเราฝึกทีแรกก็ฝึกคู่เดียวพอพอชํานี้ชํานาญขึ้นนะมันจะเนื่องไปหมดเลยจะทําได้ทั้งหมดแยกได้ทั้งหมดนะั่นอย่างบางคนก็เริ่มด้วยกายานุปัสสนาทําแต่กายานุปัสสนาอย่างเดียวทํากายานุปัสสนาก็คือเห็นกายเป็นทํางานจิตเป็นคนดูบางคนก็ทําแต่เวทนานุปัสสนาอย่างเดียวก็พอแล้วก็เห็นสุขทุกข์มันทํางานไปจิตเป็นคนดูใช ม, มีจิตเป็นคนดูอยู่อันนึง เนี่เวลาเราหัดแยกนะเราอย่าไปแยกกายกับความทุกข์นะอย่าไปแยกอย่าไปแยกกายกับความโลภอย่างเงี้ยถ้าแยกอย่างเงี้ยมัภาวนาต่อไม่ได้มันต้องแยกกายแล้วมีจิตเป็นคนดูก็จะเห็นกายทํางานจิตเป็นคนดูกายไม่ใช่ตัวเราจะเห็นอย่างนี้นะถ้าเห็นร่างกายก็อันนึงความโกรธก็อันนึ่งนะอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้ แต่ถ้าเห็นความโกรธเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูก็จะเห็นเลยความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้ภาวนาได้เงิ้นขันห้านี่ยแยกอย่างน้อยเป็นสองนะแยกสองเอาให้ชํานาญสักคู่เดียวก็พอละเดี๋ยวตัวอื่นได้ฟรีจ ะ, จะได้แถมมาไม่ยากอะไรนี่พอเราเจริญปัญญามากเข้ามากเข้านะศีล ส, สมาธิปัญญาอะไรเนี่ยค่อยๆแก่กล้าขึ้นทุกวันทุกวัน อาศัยสตินี่แหละมีสติรู้ทันกิเลสศีลก็เกิดมีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านรู้ทันความฟุ้งซ่านสมาธิก็ เ, เกิดมีสติรู้รูปนามมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูปัญญาก็เกิดอาศัยสติทั้งหมดเลยแล้พอบวกกับสมาธิคือความตั้งมั่นก็จะได้ปัญญาเอาปัญญาแก่รอบอริยมรรคจะเกิดพระเจ้าถึงบอกว่าไม่มีใครทําอริยมรรคให้เกิดได้ อริยมรรคเกิดเองแต่อยู่ๆไม่เกิดหรอกเราต้องพัฒนาศนะีล ส, สมาธิปัญญาให้แก่รอบนะมันเหมือนบันไดสามขั้นนะค่อยพัฒนาขึ้นมาเสร็จแล้วคุณงามความดีมันไม่ใช่ว่ามีศีลไปแล้วพอได้สมาธิแล้วทิ้งศีลไม่ใช่ศีลก็ยังอยู่สมาธิก็เกิดนะพอพัฒนามามีปัญญาศนะีลก็ยังอยู่สมาธิก็ยังอยู่นะเก็บรวบรวมมาหมดเลย ขณะที่อริยมรรคจะเกิดนั้นจิตจะรวมลงที่จิตด้วยอํานาจของสัมมาสมาธิแล้วคุณงามความดีที่เหลือทั้งหมดองค์มรรคทั้งเจ็ดที่เหลือเนี่ยจะประชุมลงที่จิตในขณะเดียวกันด้วยอํานาจของสัมมาสมาธิดงนั้นสัมมาสมาธิหรือสภาวะที่จิตตั้งมั่นถึงฐานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่อย่างยิ่งเลยถ้าเราไม่ถึงตัวนี้นะจิตไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นจริงนีเดินวิปัสสนาก็ยังไม่ได้เลย ถึงแดนมีปะนะัสนานั้นถ้ากําลังไม่มากพอศีล ส, สมาธิปัญญายัางบกพร่องอยู่อริยามรรคก็ไม่เกิดแต่ตอนที่อริยามรรคยังอริยามรรคเกิดเนี้ยจิตจะรวมลงที่จิตจิตถึงฐานอย่างแท้จริงเลยนะพอจิตรวมลงที่จิตแล้วเนี้ยคุณงามความดีทั้งหลายจะรวมตัวลงมาในที่เดียวกันในขณะจิตเดียวกันเกิดเป็นพลังมหาศาลที่จะขุดคุยทําลายล้างกิเลสส่วนลึกในใจเราพวกสังโยชน์ทั้งหลายถูกทํำลายลงไป พอสำลายลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นขั้นๆ น, นะอย่างขั้นแรกขั้นโสดาอนะไรเนี่ยจิตมันจะวางรูปนามพอวางรูปวางนามลงไปแล้วมันจะไปถึงอีกสิ่งหนึ่งนะเป็นธาตุเป็นธาตุธาธรู้ธาตุรู้เนี่ยสัมผัสกับพระนิพพานเพราะนิพพานเนี่ยท่านใช้ชื่อว่าอายตนะเป็นสิ่งที่รู้ด้วยใจแต่ใจตัวเนี้ยไม่ใช่ใจธรรมดาเป็นใจระดับที่เป็นธาตุรู้ไม่ใช่ตัวผู้รู้นะ ตัวผู้รู้เนี่ยมีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมานะแต่ตัวธาตุรู้เนี่ยมันเลยตัวผู้รู้ไปอีกทีหนึ่งนี่เราฝึกไปนะขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองอะไรเนี่ยมาถึงขั้นที่สองเนี่ยเริ่มชํานาญขึ้นบางทีจิตมันก็วางจิตลงไปก็ลงไปเป็นธาตุรู้โดอที่ไม่ได้เจตนาบางทีก็ เ, เป็นเองพอนะเป็นธาตุรู้แล้วโอ้ดีจังนะแต่ว่าทรงอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็กลับไปเป็นจิตธรรมดาอีกนะ เลยต้องฝึกพอฝึกจนถึงขั้นสุดท้ายไปแล้วเนี่ยตัวผู้รู้เนี่ยมันถูกปล่อยวางออกไปทิ้งออกไปมันกลายเป็นธาตรู้แต่เวลาที่จะใช้จิตทํางานกับโลกใช้จิตให้ทํางานที่เป็นสมมุติบัญญัติก็ใช้ตัวรูนะ้แต่ว่าไม่ได้จับตัวรู้ไว้ค่อยฝึกนะงนเวลาที่เราภาวนาเถ้าเราภาวนาได้มากแล้ว เราต้องการพักผ่อนเนี่ยเมื mm. ่อตอนเราจะมารู้ร่างกาย mm. เห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยอันนี้ดูรูปดูไป น, นิดเดียวมันก็ทิ้งรูปมันได้เห็นจิตเป็นคนดูรูปนะดูจิตอยู่นิดนึงก็ทิ้งจิตนะกลายเป็นาธาตุรู้จิตแปลสภาพเป็นาธาตุรู้เนี่ยาธาตุรู้เนี่ยสัมผัส พ, พระนินะพพานพระนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนะพระนิพพาน มีอยู่จริงๆเป็นของเที่ยงเป็นสุขแต่เป็นอนัตตานะถ้าใครว่านิพพานเป็นอน ต, ตาต้องรู้นะว่าไม่ใช่พระพุทธศาสนาเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่าศาสนาพุทธนิพพานถึงจะมีอยู่ถึงจะเที่ยงมีความสุขกันมหาศาลแต่ไม่มีใครครอบครองมีแต่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นเท่านั้นเองเข้าไปสัมผัสเรียกว่าเข้าไปประจักษ์ งัน้นหน้าที่ของเราต่อนิพพานคือเรียกว่าสัจชิิริยากิจกิตของเราคือการเข้าไปประจักษ์เข้าไปเห็นไม่ใช่เข้าไปครอบครองครองไม่ได้ไม่มีอะไรให้ครองได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของอัศ จ, จรรย์นะยากมากที่จะมีผู้ตรัสรู้ขึ้นมาได้กว่าท่านจะตรัสรู้ได้ยากลาบากมหาศาลใช้เวลามากมาย ศา ส, สลุแล้วเอามาสอนบางพระพุทธเจ้าสอนได้เจเนเรชันเดียวไม่มีการสืบทอดศาสนาก็หมดไปเหมือนศาสนาของพระวิปัสสีศาสนาของพระสิกขีศาสนาของพระเวสสุปุไม่มีการสืบทอด ส, สาวสกา ร, บบรุนที่ท่านสอนแล้วหมดแล้วก็แล้วกันเลยสืบทอดไม่ได้ศา ส, สนาของพระพุทธเจ้าเรานะคือศาสนาตั้งแต่พระกกุสันโทลงมาถึงถึงพุทธเจ้าเราเนี่ย มีการสืบทอดงั้นท่านถึงบอกว่าหน้าที่พวกเราเนะเรียนให้รู้เรื่องนะฝึกตนดนะีทำประโยชน์ตนแล้วก็ทำประโยชน์ผู้อื่นช่วยกันรักษาสืบทอดพระศาสนาไว้ทุกวันนี้มารเนี่ยเนะ่พวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยแฝงตัวเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนานะมาใส่เครื่องแบบของพระนี่แหละนะแฝงตัวมาแต่มาประกาศวาทะของมิจฉาทิฏฐิ งั้พวกเราต้องแยกให้ออกว่าอันใดคือคําสอนของพระพุทธเจ้าอันใดเป็นคําสอนของมิจฉาทิฐิอย่าเห็นว่าพระสอนแล้วคือคําสอนของพุทธเจ้านะกระทั่งคําสอนที่หลวงพ่อสอนเนี่ยไม่สมบูรณ์หรอกมันไม่ใช่ภูมิที่จะสมบูรณ์สาวกยังไงก็ไม่สมบูรณ์หรอกยิ่งสาวกปลายแถวนะไม่ใช่อสิตีมหาสาวกไม่ใช่อัคราสาวกอะไรเสียอัคราสาวกก็ยังสอนได้ไม่เท่าพุทธเจ้าเลย งั้นอย่างที่หลวงพ่อสอนเราเนี่ยพอเป็นแนวทางอย่าถึงขนาดว่าชี้เป็นชี้ตายนะว่าอย่างนี้ถูกเป๊ะๆนะอย่าเชื่ออย่าเชื่อนะต้องลองปฏิบัติดูแล้วดูว่าสีหนเราดีขึ้นไหมสมาธิเราดีขึ้นไห ม, ม, ไหมปัญญาแยกธาตุแยกขันเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ได้จริงไหมนะเมื่อลองแล้วเนี่ยเราจะเชื่อด้วยตัวเราเองไม่ใช่เชื่อหลวงพ่อละบิณฑูชนจะรู้ด้วยตัวเอง เราเชื่อในสิ่งที่เรารู้เราเห็นนะแล้วมันตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนบางทีรู้เห็นแต่รู้เห็นผิดเกามีนะรู้เห็นว่านิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งอะไรเงี้ยถ้ารู้เห็นอย่างนั้นนะให้ให้สังวนไว้นิดหนึ่งว่าเราไม่ได้เก่งกว่าพระุทธเจ้านะไม่มีใครเก่งกว่าพุทธเจ้านะในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นเลิศนะเป็นที่หนึ่งงั้นถ้าใครบอกว่าตัวเองเก่งกว่าพพุทธเจ้าเนี่ยต้องรู้เลยว่าไอ้ น, นี่คือ คำพูดที่เพื่อทำลายพระพุทธศาสนาลนะะต้องแยกแยะให้ออกนะแล้วพวกเราคนมีหน้าที่ตั้งอกตั้งใจรักษาศีลฝึกจิตฝึกใจให้มีสมาธิเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันดูรูปนามสแสดงใจลักไปวันหนึ่งธรรมะเข้ามาอยู่ในใจเราเราต้องช่วยกันสืบทอดไปให้ได้ต้องตั้งใจไว้อย่างหนึ่งอย่าให้ธรรมะมาหมดลงในยุค ข, ของเราได้นะต้องส่งทอดต่อไปให้ได้นี่เป็นปณิธานของชาวพุทธเรานะ รับรักษาสืบทอดไปอย่างหลวงพ่อเนี่ยมานั่งเทศอยู่เป่าๆถามว่ามาสาราลุงชินอยากมาไหมอยู่วัดสบายกว่านะคนก็ไปฟังเต็มวัดเหมือนกันทํานะไมมาที่นี่ครูบาอาจารย์ฝากไว้ฝากกันมาเป็นทอดๆนะหลวงปู่หลวงพพุทธท่านก็ฝากไว้ฝากว่าอย่าทิ้งสาราลุงชินนะหลวงปู้เหรียญท่านก็บอกนะก็ต้องดูกันมาเป็นทอดทอดมานี่แหละ เราก็จะมาเทศไปเรื่อยๆนะจนกว่าศ า, าลารลวงชินจะทิ้งเราถึงวันหนึ่งเขาต้องทิ้งเราแหล ะ, ะ <c oughs> กรรมการที่มาจาัดงานนี่แก่ๆทั้งนั้นเลย <c oughs> เอาพอสมควรแก่เวลานะ <c oughs> ต้องรักษาธรรมะน ะ, ะการฝึกให้ได้ธรรมะให้เข้าใจก่อน <c oughs> ไม่ใช่เห็นใส่เหลืองๆ เ, เขาเป็นพระเข้เชื่อได้เลย <c oughs> ไปเชื่อนะ <c oughs> เอาใครจะส่งอินบ้าน ครับผมจะส่งแบนั้นไม่เคยส่งเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกครับมาไกลมาจากฟลอริดาแล้วก็ก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็เกิดโชคดีมาสองมปีแล้วแล้วก็เมื่อปลายธันวาที่ผ่านมาเนี่ยก็เขจัดสอนสิบวัน ก็เริ่มนั่งตั้งแต่ตีสีครึ่งแล้วมีอยู่วันวันที่สองแล้วก็นั่งชั่วโมงหนึ่งเดินชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไปทานข้าวแล้วก็กิเลสมันก็ครอบทานมากไปหน่อยมันก็ง่วงพอกลับมานั่งหลังกรอบเช้าเนี่ยมันง่วงงบไปก็มันเกิดเอ๊ะ นั่นสอนบอกว่าให้รู้ทันพอรู้พับมันมหัศจรรย์มากทิศมันก็สว่างขึ้นมาอืไอความม่วงมันหายไปหมดเลยก็เออัศจรรย์มากเลยก็หมดเวลาพอดีเขาก็ให้ไปเดินพอไปเดินเนี่ยถูกแสงอาทิตย์มันก็ร้อนร้อนก็เอ้นี่มันเดิรขันมันแยกให้ดูนี่ความร้อน มันก็อยู่ส่วนหนึ่งกายก็อยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็จิตก็เป็นตัวไปรู้เข้าก็คิดว่าอย่างนี้จะถูกไหมถูกถูกแต่ว่าความร้อนไม่จำเป็นนะครับเราเอาสิ่งที่อยู่ในตัวเราคือขันห้าความร้อนมมนอยู่ข้างนอกแต่เราการที่เราเห็นว่าร่างกายก็อันหนึ่งจิตอันหนึ่งเนี้ยอันนี้ถูกเป้เลยนะก็ก็มองดู ส, สภาวัรรมที่อยู่ต่อหน้า มันก็เป็นขันห้าทั้งนั้นที่แยกให้เราดูออแล้วมันก็แสดงไตรักให้เราดูด้วยผมก็ไม่ทราบว่าถูกหรึเปล่าที่ยอมภาวนานะถูกเป๊ะเลยแล้วเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ภาวนาอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าแล้วกเ็เมื่อสองท่านวันเนี้ยภาวนาไปเนี่ยภาวนาไปเนี่ยรู้สึกร่างกายมันหายไปออือผมก็ไม่ไม่ทราบว่าจะทํำ ทำอย่างไรแต่ไม่กลัวก็ น, น, นั่นเป็นสมาธินะครับจิตเวลาที่เราแยกขันเราเดินปัญญาเห็นใจรักเกิดดับเห็นรูปนามเกิดดับเนี่ยมันไม่เดินปัญญารวดหรอกบางทีเดินปัญญาอยู่ช่วงหนึ่งมันจะพลิกไปทำสมถะนั่นทำของมันเองนะถ้ามันรวมลงมาเนี่ยบางทีโรคนี่หายไปเลยเหลือจิตอันเดียวยังเหลือจิตอยู่ไหมล่ะ ยังเหลือความรู้สึกตัวอยู่ใช้ได้ยังมีความรู้สึกว่าเออมันยังหายใจอยู่เอ้าไม่มีกายแล้วทําไมตัวไหนหายใจก็เนี่ยนะเป็นคําถามที่มาถามท่านอาจารย์ว่ามันยังหายไม่หมดยังหายไม่หมดยังหายไม่หมดแต่ว่าไม่จําเป็นต้องหายหมดนะครับหายแค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหะแต่อย่างของโยมเนี่ยโยมรู้สึกไหมมันง่ายแล้วที่เราเห็นว่ากายกับใจคนละอันครนะมันแยกอัตโนมัติได้แล้ว ไม่แยกได้อย่างนี้เราก็ดูไปนะร่างกายนี้ไม่ใช่เราะร่างกายนี้ไม่ใช่เราเหมือนเปลือกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่จิตนี่มาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวะดูไปด้วยไม่มีเราะแล้วดูจิตดูใจไปสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายผ่านมาผ่านไปก็ไม่ใช่ตัวเราอีกนี่ยหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆใช้ได้โยมก็พยายามแต่ในชีวิตจําวันพอนึกได้ก็เออตั้งแต่นั้นแค่นั้น ครับขอพรบคุณและขอถวายการปฏิบัติเป็นเครื่องบูชารด้จสาธุที่ฟาริดริต้าเน่ยหลวงพ่อไปเทศมาสองรอบเลยเกิดมีทีมอยู่นะฝึกกันจริงจังอ้าคน<อ>าต่อไปการนำ้ำมาสการค่ะหลวงพ่อส่งการบ้านช่วงหกเดือนนะค ะ, ะฟูงน้อยลงยัง ก็เวลากลัวฟุ้งกลัวคิดนะค่ะจะคอยดูจิตที่หลงไปคิดอะค่ะก็จะใช้พุทโธช่วยอะคะอ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะทําให้เพ่งขึ้นหรือเปล่าอะค่ะถ้าถ้ามันเพ่งไว้จะแน่นๆนะแต่ระหว่างเพ่งกับเผลอนะเพ่งนิดหน่อยดีกว่าเผลอเพ่งไว้นิดนิดดีกว่าเผลอนะแต่ถ้าเราปล่อยเต็มที่เนี่ยแล้วเราเผลอไปเนี่ยไม่ดีอันตรายแต่ว่าตอนนี้เพ่งแรงไปนิดนึง เพง่งถ้าจะเพลงก็เพลงนิดหน่อยพองามอย่าเพ่งแรงเพ่งแรงแล้วอึดอัดนะเออมันยังแบบคิดนําแล้วก็ยังมีออติดติดเพ่งอยากถูกอยากดีแล้วก็ยังหวังผลนะคะรู้ปัญหาสารพัดเลยนะไปภาวนาต่อไปมีมีให้สังเกตเออติดเพ่งอย่างเดียวหรอคะมันฟุ้งเก่งไงพ อ, อมันฟุ้งเก่งเรากลัวมันฟุง้งเราก็เพ่งเอา คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆนะให้กันบ้านแล้วนะคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆรู้สบายๆจิตมันสุขก็รู้ทุกก็รู้ดีก็รู้โลภโกรดหลงก็รู้รู้แน่นๆไปเรยรู้ตัวนี้บ่อยๆคือหนูจะแบบดูไอ้ตัวไหลไปคิดอะคะ่ะแล้วก็จะเหมือนเห็นแบบเป็นสองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีสมมุติเราจะนอนอย่างเงี้ยเราก็ เออบางจะจะเห็นรู้สึกเป็นหนึ่งอะค่ะว่าใจมันก็พุทโธพุทโธอยู่แล้วก็หลับอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นได้สมถะนะคือมันเหมือนแบบว่าเราคือสมมติเวลาเราจะนอนแล้วเราถ้าเราไปเหมือนแบบแยกมันอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนว่าเราไปจงใจอะค่ะมันไม่นอนใช่เออมันอยู่อย่างนั้นไม่นอนถึงเวลานอนก็นอนนอนไปอ๋อค่ะอย่าไปขยันตอนนอนสิขยันตอนตื่นค่ะอ้าต่อไปค่ะขอบคุณค่ะไปดูนะ ดูความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าไม่มีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยแสดงว่าเพ่งไห้ถ้าความรู้สึกยังเปลี่ยนแปลงได้ถึงจะใช้ได้การนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านครั้งแรกค่ะหลวงพ่อคือหนูได้ซีดีหลวงพ่อโดยบังเอิญนะคะ<ม>หนูซื้อหนังสือแนวทางปฏิบัติธรร ม, มาทางพุทธศาสนาแล้วมีซ<ม>ีดีเ <CD S 1> ห็นไหม<ฮะ>เพราะว่าไปซื้อหนังสือมา เพื่อนแนะนําว่าอยากปฏิบัติธรรมเพื่อนแนะนําว่าลองซื้อของหลวงพ่อปามโมต์หนูก็ลองซื้อดูอะค่ะเสร็จแล้วหนูฟังซีดีแล้วหนูรู้สึกเหมือนหนูเพิ่งเปลี่ยนศาสนามาใหม่เหมือนหนูเพิ่ง <c oughs> <c oughs> รู้จักศาสนาพุทธเหมือนเหมือนหนูเพิ่งเพิ่งรู้จักตั้งทั้งที่หนูเป็นพุทธมาตั้งแต่กําเนิดนะคะหนูเป็นแต่ชื่อแล้วก็ลหลังจากนั้นหนูก็พยายามปฏิบัติตามซีดีของพ่อฟังซ้ําไปซ้ํามามแล้วก็ลองผิดลองถูกอะคะ่ะ ก็จะมาถามหลวงพ่อว่าที่หนูทำถูกต้องไหมคะถูกหนูเห็นไหมว่าขันมันแยกได้หนูเห็ น, หนรู้สึกแม่กายกับ<น>ใจแยกกันได้สุขทุกข์ก็แยกออกไปได้หนูเห็นความโกรธดับครั้งแรกอะค่ะัะเออใช่ น, นันถูกมันหนูเพิ่งโกรธอยู่แล้วพอหลวงพ่อบอกให้ให้รู้พอหนูนึกขึ้นได้ว่าหลวงพ่อให้รู้พอหนูรู้ปุ๊บมันหายวัไปเลยนั่นแหละเวลาสติเกิดนะกิเลสจะดับ เป็นอัตโนมัติอย่างนั้นเลยถูกแล้วที่หนูปฏิบัติอยู่ถูกใช่ไหมคะหนูอยากถามหลวงพ่อค่ะว่าตอนตอนเดินกับตอนนั่งเนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ให้เพ่งแต่ว่าให้ตามรู้หมายความว่าพอระหว่างที่เราเดินเรานั่งเนี่ยจิตเรานึกถึงอะไรเราเราก็รู้เรื่องที่เราไม่ใช่ไม่ใช่รู้เรื่องนั้นรู้รู้ว่าเราหลงให้รู้ความรู้สึกของตัวเองนะ หรื อ, อจิตหลงไปรู้ว่าหลงอย่างเงี้ยใช้ได้จิตรอบรู้ว่ารอบจิตโกรธรู้ว่าโกรธจิตสุขจิตทุกข์รู้ว่าสุขทุกข์อันนี้ใช้ได้แล้วบางครั้งตอนนั่งอ่ะบางทีก็จะเหมือนไม่ค่อยจะเห็นนะคะแต่หนูสังเกตว่าพอหนูสวดมนต์ยาวๆจะเห็นชัดมากเลยเออไปสวดมนต์หให้เยอะๆไว้ทําไมตอนนั่งไม่เห็นรู้ไหมเพราะหนูนั่งรอดูนั่งแล้วก็จะเฝ้าดูซิจะมีอะไรให้ดูมันจะว่าง เพราะงั้นการดูจิตเนี่ยอย่าไปรอดูถ้ารอดูจะไม่มีอะไรให้ดูนะถ้าให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติกระทบแล้วเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วเราถึงจะรู้เอารู้แล้วถึงเห็นมันเกิดดับค่ะแล้วพอเห็นทุกข์ปุ๊บมันก็หายเร็วแต่ที่ตามมาคือเวลาหนูเห็นสุขมันก็หายด้วยอะค่ะหลวงพ่อใช่ เพราะว่าความสุขเนี่ยนะพอหนูกําลังรู้อุ้ยหนูมีความสุขอ้อมันหายไปเลยความสุขนั้นน่ะเพราะว่าความสุขเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะเราจะดูหรือไม่ดูมันก็หายเพราะฉะนั้มันเป็นของไม่เที่ยงนิดพอเราไปติดอกติดใจมันเราไม่รู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเพราะความสุขไม่มีเราก็อยากให้มีมีแล้วก็อยากให้อยู่นานๆอยู่ไม่ได้นานหายไปเราก็เสียดายฉั้นความสุขเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตนะ แต่เราไปภาวนาเราก็เห็นว่าความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับแต่ไปจิตเราจะเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วเราจะมีความสุขอีกชนิดหนึ่งมันเป็นความสุขที่เหนือชั้นกว่ากันมากเลยเราจะรู้สึกเลยความสุขที่ทุกวันนี้ที่เรารู้จักเนี่ยมันเป็นความสุขเหมือนกับเด็กเล็กๆ ไ, ไร้เดียงสานะไปเล่นดินเล่นทรายสกปรปกมอมแมมก็ยังมีความสุขใความสุขเป็นแบบนั้นเราจะพบสุขที่ประณีตกว่านั้น ที่หนูปฏิบัติถูกต้องแล้วนะครับไปทําอีกหูต้องทําซ้ําไปอย่างนี้ทําะทำซ้ำซ้ส่วนซีดีหลวงพ่อนะไม่ต้องไปซื้อหรอกมีแจกเยอะแยะไปค่ะตอนนี้ได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยคนที่เข้ามาขอไปพิมพ์เขาฉลาดเหมือนกันนะก็บอกบางคนเนี่ยมันไม่เคยเข้าวัดซีดีหลวงพ่อแจกอยู่ตามวัดพวกไม่เคยเข้าวัดเนี่ยเข้าแต่ศูนย์การค้าเข้าแต่ซุปเปอร์เข้าแต่อะไรอย่างเงี้ยนะ พิมพขายไปเลยถ้าเอาไปแจกตามข้างถนนนั้นมันจะไม่อ่านหรอกคงเอาไปช่างกิโลแต่ถ้าเสียตังค์แล้วนะคงจอยากอ่านบ้างเนี่ยเขารู้จักจิตวิญญานะก็ได้ผลนะมีบางคนนะเขาซื้อไปอ่านเป็นนักโทษด้วยได้อ่านอพอหนาขึ้นมาได้ติดคุกอยู่จิตใจยังมีความสุขเลยนี่พวกเราไม่ต้องทดลองนะไม่ใช่ต้องลองทุกอย่างไม่จําเป็นหรอก อาตอไปนปสัสการค่ะหลวงพ่อขอถวายการปฏิบัติในรอบสองปีกว่านี้ส่งขางบ้านครั้งแรกอปฏิบัติมาสองปีกว่าขอถวายแด่พระพุทธเจ้าแล้วก็หลวงพ่อประโมุค่ะคสาธุสาธุก็ปฏิบัติมาสองปีกว่าเพิ่งส่งการบ้านครั้งแรกค่ะและเดินทางมาไกลมากก็ดูเอานะขันมันแยกได้แล้วก็ดี ก็แยกได้แล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานเห็นมันทำงานได้เองนะยอมดูไปมันเป็นอนัตตามันทำงานได้เองดูอย่างนี้เรื่อยๆไปแล้วความทุกข์มันก็จะลดลงเองแต่เราไม่รักษาใจให้นิ่งให้ว่างนะดูเขาทำงานดีกว่ารักษาให้ว่างๆไม่ทำอะไรเลยทำถูกแล้วลวะมาถูกทางแล้วนะคะถูกาสาธุาาาาไม่รู้หรือไม่รู้เลอว่ามาถูก ก็ไปที่ไปที่ศรีราชาไปหลงสองครั้งไปสองครั้งก็ไปหลงก็ไม่ได้ส่งการบ้านพ่อแต่วันนี้ก็หลงเหมือนกันค่ะก็ถามพวกอะไระวินมอเตอร์ไซค์อก็บอกมาก็มาถูกนั่นแหละจะไปวัดหลวงพ่อที่ศรีราชาก็ต้องถามวินมอเตอร์ไซค์พวกนี้เขารู้ดีไม่ค่ะเพราะว่ายงไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยค่ะอยู่ต่างประเทศเวลามาก็เหมือนบ้านนอกเข้ากลุ่มค่ะก็ต้องถามเข้าไปเรื่อยๆเงี้ยค่ะ เหมือนกัน<อ>แหละหลวงพ่อไปประเทศอื่นเขาถามเ้าเหมือนกันอันนี้ดีใจที่ได้ส่งกันบ้าอ น, น อ, นอนต่อไปกราบกล่าวนามัสการหลวงพ่อค่ะตอนนี้ก็ในช่วงขณะนี้นี่มันจะเห็นจิตเกลียด รักดีเกลียดชั่วรู้ทันสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้น ม, มันเห็นจิตอีกดวงหนึงไปเกลียดจิตที่เกิดอกุศลเสร็จ แ, แล้วพอเห็นปุ๊บ ม, มันไม่ชอบมไม่ชอบ จ, จิตมีจิตอีกดวงหนึ่งมารู้ทันปุ๊บในขณะนั้นนี่จิตมันเกิดปัญญารู้ขึ้นมาขณะทันทีนั้นว่าทภ า, าวะธรรมทั้งดี ทั้งไม่ดีมันเป็นสภาวะที่เสม อ, อกั น, นเราไม่มีหน้าที่ที่จะชอบดีหรือเกียรชั่วแต่เรามีหน้าที่รู้ในสิ่งที่มันเป็นแล้วก็มันก็แบบโอ้มันเข้าใจขึ้นมาในขณะนั้นนั่นนะนะคะเข้าใจแ ล, แล้วเราก็ไม่ยึดถือน ะ, ะไม่ยึดถือในความรู้ความเข้าใจนี้ค่ะนะเราก็ดูของเราต่อไปเหมือนเดิมค่ะนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไปคิดนาตามความเข้าใจปัญญาเกิดแล้วอยาให้ปัญญามาเป็นภัยกับเราเจ้าค่ะ นะปัญญาที่กลับมาเป็นภัยคือพอภาวนาแล้วพอเข้าใจนะพอ ร, รู้อะไรนี่นะต่อไปพอไปภาวนาอีกอมันจะคิดนำนนะเนี่ยมันไม่ใช่เรามันเสมอกันหมดฟ้าไะไรโผล่ข้นมาไม่ใช่เราเสมอกันหมดอย่างนี้เลยไม่ได้ทำวิปัสสนาสักทนะีดูสภาวะเกิดดับต่อหน้าต่อ ต, อตาไปเรื่อยๆภาวนาโ ง, ง่ๆไว้ปัญญานะก็มีโทษเหมือนกันนะปัญญา ก็ช่วงนี้มันจะเห็นแบบนี้บ่อยๆขึ้นหนูสังเกตว่าสภาวะธรรมที่ที่เกิดขึ้นกับหนูเนี่ยเขาจะแบ่งช่วงช่วงนี้เนี่ยเขาจะเข้าใจในเรื่องนี้<า>เป็นปกติอย่างนั้นแหละเด็างนั้นทุกคนแหละแล้วเวลามันเกิดความรู้ความเข้าใจทีหนึ่งนะเราก็มีความสุขไปช่วงหนึ่งเดี๋ยวใจรู้สึกแห้งแรง้งภาวนาไปเกิดเข้าใจขึ้นมันก็ได้ความสุขมาอีกหน่อยใช่นะค่ะจะเป็นอย่างนั้นแหละ ก็ขอถวายการปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาเป็นอาจารย์และอาจารย์ริยาบูชาแต่หลวงพ่อเจ้าขาแล้วก็มอมให้คุณแม่หนูกับปู่พ่อด้วยค่ะดีนะคนนี้ยังคิดถึงพ่อแม่คนต่อไปไม่ต้องบอกให้ปู่ย่าตายายหนูมีหมายตัวแถมหลวงพ่อเคยเจอนะมีผู้ชายคนหนึ่งนะเอารูปมาให้หลวงพ่อถือรูปมาสองใบ หลวงพ่อช่วยแผ่ส่วนบุญแผ่เมตตาเนยะผู้ที่ผมรักเสียชีวิตไปส่งรูปมาหอหมาหมาก็แผ่ได้นะพระไม่ถือหรอกแผ่ให้หมาเขาก็ถืออีกใบอ่ะคืนไปรูปหมายื่นใบที่สองมายายผมก็ตายพร้อมๆกับหมาเหมือนกันโอ้มันให้หมาก่อนนะ <laughs> ถ้าเราเป็นยายเขาเนี้ยเรารีบตายเลย <laughs> น้ำม oh. mm ัส hmm. ม mm ัชการค่ะหลวงพ่อปกติเนี่ยได้ปฏิบัติทั้งเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิอะนะคะทีนี้จะชอบนั่งมากกว่าเดินเพราะเดินมันเมื่อยอะค่ะหลวงพ่อทีนี้ปัญหาคือว่าเวลานั่งตอนกลางคืนมันจะมันจะเคลิ้มง่วงอะค่ะแต่นั่งกลางวันจะไม่เป็นนะคะแล้วอย่างนี้จลิตแบบหนูเนี่ยควรจะ ควรจะไปปฏิบัติยังไงดีค<น>ะถ้าจะนั่งนะแล้วมันง่วงหาอะไรมาถือสักการเมื่อก่อนหลวงพ่อทำงานเหนือหน่อยๆ น, น, นั่งบางทีจะต้งง่วงหลวงพ่อมีพัดอันนึงนั่งขยับไปเรื่อยๆหาอะไรมาถือสักการหนึ่งขยับไปเรื่อยๆกระตุ้นไม่ให้หลับพอหลับเมื่อไหร่มันก็หลุดหลุดเราก็ตื่นมาพัดต่ออ๋อจะช่วยได้ใช่ไหมคะหลวงพ่ อ, อทีนี้ถ้าถ้าไปนั่งตอนกลางวันเนี่ยนั่งตอนเช้าอะค่ะก็ จะรู้สึกจะรู้สึกดีกว่าแล้วก็รู้สึกพอออกจากสมาธิแล้วแล้วมันเหมือนเรานอนหลับอิ่มๆมาค่ะหลวงพ่อใช่<อ>เราทําได้เช้าสายบ่ายเย็นได้ดีที่สุดนะตอนไหนเป็นเวลาที่เราภาวนาดีช่วงนั้นเราก็ทุ่มเทกับการภาวนามากหน่อยช่วงไหนอย่างตอนเย็นๆ เ, เราเหนื่อยเต็มทีละภาวนาแล้วมันจะหลับแต่ว่ายังไม่สมควรจะหลับเราก็ทํากรรมฐานที่ใช้ความเคลื่อนไหว ถ้าเดินจบกรมไม่ถนาดต้องนั่งก็นั่งเคลื่อนไหวนั่งขยับไม้ขยับมือไปนะบางคนเขาใช้นั่งถักนะเมื่อก่อนก่อนหลวงพ่อบวชนะอยู่กับแม่ชีนะแม่ชีนั่งถักเชือกนะถักหมวกถักอะไรส่งไปถวายพระถักทั้งปีเลยเนี่ยเคลื่อนไหวเป็นเครื่องอยู่นะเขาทำกรรมฐานถ้าคือไม่นั่งเฉยๆเดีย๋ยวก็ การขอบพระพคุณค่ะหลวงพ่อการมัสักา ร, การหลวงพ่อค่ะก็ส่งกันบ้านกับหลวงพ่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วรู้สึกจะปีกว่าค่ะหลวงพ่ อ, อบอกว่าให้ไปทำสมาธิเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้เปิดไฟทําสมาธิค่ ะ, คะช่วงนี้ก็ความกลัวตรงนั้นก็หายไปแล้วค่ะก็แล้วก็รู้สึกจะเห็นสภาวธรรมเพิ่มมากขึ้นค่ะก็อยากจะขอเดี่ยวทางแล้วก็ทําถูกแล้วนะคะ มีความอดทนสอนให้ทําก็ทําใช้ได้เห็นความพัฒนาของตัวเองไหมเห็นทำถูกแล้วนะต้องทําอีกคทําไปเรื่อยๆนะขอกันบ้านนะคะทําต่อทําต่อเหมือนเดิมนี่ไดีเช้เหมือนเดิมเลยทําถูกแล้วทูกทางแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อเห็นไหมว่าบางครั้งจิตมันเริ่มเดินปัญญาเห็นเห็นเป็นบางครั้งบางที่นอนอย่างเงี้ยเคลื่อนกายเคลื่อนไหวนี่จะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเห็นเห็นบางทีก็จะกลัวเหมือนกันค่ะหลวงพ่อตกใจคิดว่ามันตัวอะไรขยับได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตัวเขาเรียกถ้าจะใส่ชื่อเ็าเรียกว่ารูปมันเคลื่อนไหวค่ะนะไม่มีคนสัตว์เราเขาวอะไรหรอกนั<ะ>่นแหละจิตมันเดินปัญญากลับขอบพระคุณค่ะกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ครั้งนี้เป็นสงกันบ้านครั้งแรกนะคะเอ่อก็ที่ปฏิบัติมาก็คือว่าฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณน่าจะเกือบครึ่งปีแล้วอะคะ่ะก็มี ปฏิบัติโดยปฏิบัติในรูปแบบอะนะคะก็จะดูพองยุบอะค่ะแล้วก็ระวังระหว่างวันก็คือจะดูร่างกายเคลื่อนไหวอะค่ะก็เวลาดูพองยุบดูร่างกายเคลื่อนไหวก็จิตอยู่ต่างหากน ะ, ะอย่าให้จิตไหลลงไปคือไม่แน่ใจว่าของของหนูมันมันยังแยกออกมามันไม่ได้ไหลไปรวมกันอย่างนี้ก็ยังใช้ได้ค่ะเมื<บ>่อวานนี้ก็มีคนหนึ่งมาส่งกันบ้านจิตทําแบบนี้แหละแต่จิตมันไหลลงไปอยู่ในกาย แล้วก็จะแทบจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเออเ อ, อ, เ อ, อ, อยู่งั้นล่ะค่ะอย่าให้ใจมันจมลงไปให้กายกับใจมันแยกออกจากกันค่ะแต่เวลาคือคือเวลามีความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างโกรธหรือว่ามีความโศกอะไรพวกนี้ค่ะก็คือรู้ทันแต่ว่าจะรู้สึกว่ามันจะมองไม่เห็นว่ามันแบบว่าดับไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะ พอเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็จะก็จะรู้แต่ว่าเลยไม่แน่ใจว่าสติสติเรายังไม่เร็วค่อยๆฝึกนะ <Okay. S 2> ที่มันเปลี่ยนในอันอื่นเพราอันเก่ามันดับไปที <Okay. S 2> ่เราดูคล้ายๆเราสุ่มดูตรงเนี้ยแล้วเราก็เลิกดูไม่เจออันใหม่แล้วถึงจะดูมันดูได้ไม่ต่อ <Okay. S 2> ฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันเห็นตั้งแต่เกิดจนดับได้ okay. ก็ต้องดูตามติดคือกลัวดูเยอะๆแล้วมันจ ะ, จะกลายเป็นเพ่งเล<ร>ยอย่ า, ยาเพ่งกันละกัน <c oughs> สุมส่มๆัวอย่างนี้ก็ยังดีกว่าไปติดเพ่งนะคะ <c oughs> อย่างนี้มันยังค่อยพัฒนาไปได้ <c oughs> ที่ปฏิบัติในรูปแบบนี้ไม่แน่ใจว่าทําถูกไหมคะหลวงพ่อถู ก, ถ, กถ้าทําไม่ถูกจิตไม่เป็นอย่างนี้ค่ะได้คะ่ะโรคอย่างนี้หนูต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะหลวงพ่อชีมโมโหไหมขีโมโหเออนะนั่นแหละมีบุญจิตมันโมโหขึ้นมาให้รู้ทันโมโหขึ้นมาให้รู้ทันนะมันแทรกเข้ามาอยู่เรื่อยๆกระทั่งในการภาวนา เราก็รู้ไปเรื <S S S ่อยๆจิตเละอะไรเกิดขึ้นก็รู้เอาภาวนาไปเรื่อยๆถูกแล้วขออีกคําถามนึงนะคะคือคือเวลานั่งสมาธิอะค่ะหลวงพอ่อคือมันเหมือนหลังๆอะค่ะมันก็จะรู้สึกเหมือนนั่งๆั่งคือพอรู้สึกตัวแต่ว่ามันเหมือนจะมันวื้บขึ้นมาแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยคะ่ะเลยอะไรบึ้บไม่ไม่แน่ใจ <c ười> <c oughs> คหมือคือเป็ว่ า, าบางทีนั่งนั่งอยู่มันก็มันก็ดูพองยุบใช่ไหมคะแล้วก็บางทีมันก็จะมีความคิดแทรกขึ้นมาแล้วเหมือนมันก็จะ คล้ายๆว่าเหมือนมันโล่งขึ้นมาอย่างนี้ค่ะจิตมันเป็นสมาธิแต่มันสั้นมากเหรอคะเออมันสั้นๆนะมันไม่ได้ทรงไวค่ะขอบคุณค่ะมันจะโลง่งว่างเป็นช่วงๆค่ะคือจิตที่เดินปัญญานะมันเดินไปถึงจุดหนึ่งมันจะเข้าไปพักเรู่อวสว่างว่างขึ้นมาแล้วสักเดี๋ยวก็ออกไปเดินปัญญาต่อค่ะสลับไปสลับมาค่ะกล่าวขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อ ครับกราบธรรมสการหลวงพ่อครับผมฟังซีดีหลวงพ่อมาห้าปีวันนี้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวนั่งขัดสมาธิก็ได้นะนัครับนั่งท่านี้เดินเดี๋ยวกระดูกเสียวันนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นหน้าหลวงพ่อเดินเข้มาก็มีปิติน้ําตาไหลฮะก็ขอกราบขอคุณหน้าตาหลวงพ่อหน้าสงสารอย่างนั้นใช่ไหมมาเกิดปิติครับหลวงพ่อหลวงพ่อไม่เคยเห็นหน้าจริงๆของหลวงพ่อวันนี้เป็นครั้งแรกมาส่งกันบ้านครั้งแรกอ่ะ ก็ต้องขอมากราบขอพระคุณพ่อสำหรับคำสอนที่ใช้เป็นหลักในการเดินทางนะคำหรับคำที่ผมพอจะจำได้กับเพงง<ม>ลงจ้องหลงไหลไปคิดแยกธาตุแยกขักนสติไม่ตั้งมั่น<ม>ติไม่ถึงฐาน<ม>แล้วก็ในขณะดูนี่มันจะมีตัวนิ่งอยู่ดูหนึ่ง<ม>ก็การปฏิบัติมาก็มีความเข้าใจว่าเราเข้า ตั้งแต่ไม่เข้าใจก็เริ่มเข้าใจคําเหล่านี้ที่หลวงพ่อมอบให้มาเป็นหลักแต่ว่าในการฟังหลังๆก็ไอ้ฟ้าเข้าใจเดิมเนี่ยมันก็รู้สึกละเอียดขึ้นมาขึ้นว่าเออมันจริงๆแล้วไอ้ฟ้าเข้าใจเดิมมันยังน้อยไปก็เข้าใจขึ้นมามากเรื่อยๆแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่ามันเข้าใจถูกต้องร้อเซ์หรือยังะฮะถูกเข้าใจถูกนะครับแต่ความเข้าใจเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับงั้นอย่างธรรมะเนี่ยเราฟัง สึมว่าเรามีซีดีอยู่แผ่นเดียวฟังไปเรื่อยๆนะความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมหรอกมันขึ้นเพิ่มขึ้นไปตามภูมิจิตภูมิธรรมของเราแต่ของคุณนะอภาวนานดีนะมาถูกทางแล้วสำหรับการปฏิบัติในรูปแบบก็ก็ดูไปจนผ่านสภาวะไปในบางช่วงก็ไปถึงขั้นเห็นว่าทุกอย่างเป็นภาพหลวงตาเป็นสิ่งหลวงใจทีนี้ว่าในทางปฏิบัติในชีวิตประจาวันเนี่ย พอในว่าในรูปแบบเห็นแบบนั้นในชีววิวันก็เลยดูย้อนเข้ามาก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะย้อนเข้ามาดูดูความเป็นตัวเราที่มันไปลองรับสภาวะต่างๆแต่นี้ว่ามันสภาวะมันก็ยังเป็นน้ำหนักแก่จิตอยู่มันยังรู้สึกมีความรอยลัดผัวพันจิตอยู่มันยังไม่ไม่ไม่ค่อยโลง่งเด็กก็จะ ด, ดูถูกแล้ว ก, ก็จะเดินทางตามที่หลวงพ่อแนะนําต่อฮะก็รู้สึกเป็นหลวงพ่อเป็นบุญคุณนะที่ว่า การเดินทางเนี่ยเป้าหมายเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือของหลวงพ่อผมคิดว่ามันน่าจะเดินไปแล้วมันน่าจะมีแสงสว่างอยู่ปลายทางครั้งนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากับแล้วขอคบแนะนําอนุโมทนานะของโยมระวังเรื่องปัญญานะโยมปัญญาเยอะงั้นอย่าให้ปัญญามันล้าปัญญาลรําหมายถึงว่ามันสรุปเร็ว เ, เราดูปัจจุบันไปเรื่อยๆนะดูไปโง้อสบายๆนี่แหละ อย่าให้ปัญญามันไปสรุปซะก่อนฉลาดเกินนี่นีสมาธิ ค, ค, คือคือคือการดูบางครั้งสตินี่ผมพอได้แต่ว่าสมาธินี่ผมดูแล้วบางครั้งนี่สตางคี่ผมยังน้อยน้ำหนักยังน้อยแล้วก็บางช่วงนี้ก็อย่างที่หลวงพอว่าปัญญามันนํามันจะให้ฟลุงก็ต้องมาอยู่กับกรรมฐานผมก็น <m. S 3> <ห>ับหน <Khal ed. S 1> ึ่งสอสาย้อนเข้ามาต้องตูกอย่างนั้นรู้จักฉลาดเอาตัวรอดไม่งั้นจะเกิดวิปัสสนูนะ สมาธิไม่พอในขั้นเดินปัญญาเนี่ยจะเป็นวิปัสสนุกใช่ได้กราบนมาสการหลวงพ่อครับยังไม่เคยส่งกันบ้านเลยครับก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อมาสักช่วงหนึ่งแล้วครับก็เห็นจิตไปคิดได้บ่อยๆอยู่ครับเข้าใจว่าขันมันเริ่มแยกแต่ก็ยังไม่แน่ใจถูกแล้วขันแยกแล้วทำไมรู้หน้าตาของคนที่แยกขันได้กับคนที่ขันรวมเป็นกระจุกกันอยู่นะไม่เหมือนกันหรอก หน ต, ต่างกันมากเลยพอจะถูกแล้วใช่ไหมครับถูกสิครับต่อไปก็ดูนะสภาวะทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้เลยมันมาเองไปเองดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคืคช่วงหลังๆผมเห็นแบบร่างกายนั่งร ห, รหรือว่าทําอะไรอยู่แล้วมันมีไปเห็นหัวใจเต้นอยู่ข้างในนะอันนี้คือเพ่งไปหรือเปล่าครับไม่เป็นเลยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่อพุทธ์่ะเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านทํากรรมฐานเนี่ยเห็นหัวใจเต้นทั้งวันทั้งคืนเลย เป็นแค่เครื่องอยู่ของจิตถ้านั้เห็นหัวใจเต้นไปก็เห็นมัดกายกับใจมันคนละอันกันเป็นความรู้สึกนะไม่ใช่คิดเอาหรอกบางทีเห็นมันเต้นแล้วจิตหนีไปคิดเยก็รู้ว่าจิตหนีไปคิดบางทีก็เห็นชีพจรมันเต้นตามตัวอะไรเงี้ยครใช่ใช่อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรไม่ผิดไม่ผิดคือถ้ายังเห็นอยู่ในกายในใจไม่เป็นไระแต่จิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากะเห็นอยู่ครับนั่นแหละถูกขอการบ้านต่อเลยครับ ไปทำต่อแล้วแหละทำเหมือนเดิมอย่างที่ทำอยู่ครับใช่ก็ขอถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาแล้วก็ถวายหลวงพ่อครับแล้วก็ให้กับทั้งหลายด้วยครับถามแล้วพการหลวงพ่อเจ้าค่ะก่อนถวายการบ้านโยมกราบขอขมาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณหลวงพ่อและคุณครูบาอาจารย์ทุกๆท่านว่าโยมได้เกิดโล่งเกินด้วยกายวาจาใจด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ ขอได้โปรดงดโทษยกโทษให้กับโยมเพื่อความสำรวมระวังในการต่อไปสาธุสาธุดีตรงที่พระอเพื่อสำรวมระวังในการต่อไปนะที่เราขอขอมา ก, กันนะเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็ขอผู้นี้ก็ขอแล้วก็ร่วงเกิดทุกวันเลย <c oughs> อย่างนั้นไม่มีประโยชน์เลยลขอโยมนาะภาวนาถูกแล้วละไปดูรนะนาดขันก็ส่วนขันจิตก็ส่วนจิต ขันันก็ทำงานไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเราช่วงช่วงระยะหลังนี่ เ, เดิมเดิมนี่ที่โยมเคยไปกราบถวายการบ้านครั้งหนึ่งเมื่อกี้ขอภัยที่ท่านกรรมการได้ถามแล้วโยมเผลอไปว่าเป็นการส่งการบ้านครั้งแรกแต่ว่าสองสามปีที่แล้วเนี่ยโยมได้ถวายการบ้านไปครั้งหนึ่งและหลวงพ่อได้บอกว่า โยมจิตไม่มีกำลังให้มาทำในรูปแบบค่ะทีนี้นะปัจจุบันเนี่ยคือช่วงช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยสภาวะธรรมของความไม่มีตัวไม่มีเราเนี่ยมันบังเกิดโยมอยู่เรื่อยๆแล้วก็โยมได้ฟังซีดีของหลวงพ่อซึ่งหลวงพ่อได้เตือนว่าให้ระวังอารมณ์ครอบงำค่ะแล้วก็ช่วงนั้นโยมก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นเช่นนี้มันแก้ไขอะไรไม่ได้มันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมาดังความรู้สึกที่ว่าไม่ใช่ตัวเราเนี่ยที่เดิมมันเคยพลันพลึงเคยหวันไหวเนี่ยมันก็สงบลงไปจากนั้นเนี่ยระยะหนึ่งมันก็เฉยไปโยมก็ไม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอุเบกขาหรือว่าจิตโยมไปติดลิ่งติดเฉยแต่ว่าช่วงช่วง ระหว่างที่ได้ถวายแรงงานหลวงพ่อไปแล้วเนี่ยโยมจะได้ฟังซีดีของหลวงพ่อประจำํำเวลาที่ขับรถไปทํางานเวลาที่ขับรถกลับบ้านเนี่ยบางทีติดอยู่บนรถเนี่ยประมาณสองาชั่วโมงโยมก็ได้ฟังตลอด <c oughs> ซึ่งช่วงระยะหลังเนี่ยสภาวะธรรมที่ปรากฏเนี่ยมันจะเพ่งไปอยู่ที่ว่าจิตเนี่ยมันเป็นทุกข์กอย่างมากแล้วก็เกิดความเบื่อหน่าย <c oughs> ซึ่งโยมก็พยายามสํารวจว่าความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเกิดเพราะโทสะหรือเปล่า <c oughs> มันมันมันเป็นโทสะใช่ไหมคะยังมีโทสะอยู่อ่าแล้วที่มันมาเพ่งอยู่ที่จิตว่ามันเป็นทุกข์ตลอดเนี่ยค่ะสังเกตไหมใจเราไม่ชอบกับมันหรอกใจเราไม่เป็นกลางนะนั่นยังมีโทสะอยู่ให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางก่อนส่วนที่มันเป็นทุกข์นั่นเป็นความจริงของมันความจริงของขันก็คือทุกข์นั่นแหละนี่ใจเราไปรู้มันใจเราไม่เป็นกลาง เราอยากให้มันไม่ทุกข์ใช่เราเราไปเห็นทุกข์ก็แล้วเราก็อยากให้มันไม่ทุกข์หรืออยากพ้นจากมันใช่ใใจม่ใจอยากพ้นเพราะนั่นใจยังมีโทสะอยู่ก็คือให้ให้ให้ดูไปเฉยเให้รู้ทันใจตัวเองว่าโทสะแทรกนะรู้ทันทีเลสดีแล้วละมาพัฒนามาเยอะแล้วมันมีแรงแล้วมันมีแรงแล้ว แล้วในบางครั้งที่โยมเห็นเหมือนกับว่าจิตมันจะไปรู้ว่าภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่แปลเลยเออได้อย่างนั้นแหละดีแต่ถ้าจะแปลก็แปลนะถ้าไม่แปลก็ช่างก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆเกิดแล้วก็ดับไปคืออะไรไม่รู้นั่นแหละดีคือไม่ไม่ไม่มีความจําเป็นต้องไม่มีความจําเป็นเลยเพราะบางครั้งโยมก็ยังสงสัยอยู่ว่าสิ่งที่โยมเห็นนี่จะถูกหรือผิดอื ถ้าเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับก็ถูกแล้วเห็นด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางไม่ต้องแปละนะการปฏิบัติพอถึงขั้นละเอียดแล้วจะไม่มานั่งแปลแล้วและ ใ, ในบางครั้งที่เวลาหลับเนี่ยคะจิตมันก็จะรู้สภาพสภาพต่างๆแล้วมันก็จะเริ่มต้นไปภาวนาในจิตแต่ว่าก็เป็นช่วงหนึ่งแล้วก็หยุดหายไปช่วงนึงแล้วก็มาเริ่มใหม่อีกอถ้าเป็นคนทั่วไปก็คือจิตลงพัก แล้วขึ้นมาฝันแล้วก็ลงไปหลับอีกแล้วก็ขึ้นมาฝันอีกส่วนของเราจิตลงไปพักพอมีแรงแก็ขึ้นมาพาวนาแล้วก็ลงไปพักแล้วขึ้นมาพาวนานะี่เราฝึกอย่างนี้แหละได้ทั้งหลับทั้งตื่นเอย่าให้แคร่งเครียดกล้วกันแล้วหลวงพ่อจะมีคําแนะนําอย่างอื่นเพิ่มเติ ม, มไหมคะต้องใจเย็นๆ น, นะใจเย็นๆโยม <laughs> โ ย, ยมจะเอาให้ได้ <laughs> โยมรู้สึกว่าสางสารวัฏนี่มันเป็น ยิ่งอยากยิ่งช้านะโยมนาจุดอ่อนคือจะรีบเอาให้ได้เลยหากคอกิเลสตายวันนี้ได้ยาวเลยโทสามันถึงแทรกไงไมโยมขอถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านบูชาหลวงพ่อประโมทประโมโชแลก็ บูชาให้เทพพรมเทวาทุกชั้นฟ้า<ม>แล้วก็ผู้ที่ได้สงเคราะห์ให้โยมแล้วแล้วทุกท่านได้มีโอกาสได้ม า, าฟังนี่<อ>หน้า<อ>ตรงนี้แหละต้องให้เขาบ้างนะ <c oughs> การนมมสการค่ะหลวงพ่อคะมีความเข้าใจว่าจิตมันมีกําลังขึ้นแล้วสิ่งที่เห็นเนี่ยหมายความว่ามั น, มนเหมือนกับว่ามันเห็นจิตเคลื่อนจากจากอะไรก็ไม่รู้ที่หนึ่งนะคะที่เหมือนจาก จากฐานหรืออะไรไม่แน่ใจแต่ว่ามันเคลื่อนไปที่ลูกตาบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นหลงหรือเพ่งเนี่ยมันจะเคลื่อนขึ้นไปที่ตาแต่ว่าเวลาที่แล้วมันก็จะลงมาลงมาเหมือนกับมันลงมารับอารมณ์ใช่เหมือนเมื่อกี้ะเวลาที่ฟังเทศนะคะมันมันอยู่ตรงที่มันรู้สึกว่าจิตมันรับอารมณ์อยู่แล้วมันก็เห็นโทสะแล้วมันก็จริงๆมันมีความไม่พอใจอยู่แต่แต่แป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งมันเห็นเคลื่อนขึ้นไป ที่ตาแล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงรู้ว่ามันไม่จับอารมณ์เท่าเดิมแล้วมันก็ลงไปใหม่ลงไปจับอารมณ์ใหม่แต่ว่าโทสะมันอกุศลมันไม่ได้แรงเท่าเดิมอันเนี้ยตอนนี้จะเห็นลักษณะคล้ายๆแบบเนี้อันนี้ถูกหรือเปล่าก็ได้นะเห็นจิตเดี๋ยวก็เกิดที่ตาเดี๋ยวก็เกิดที่ใจเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่ว่าอย่าจงใจนะถ้ามันเป็นเองไม่เป็นไรมันเป็นเป็นเองเพราะบางครั้งมันไม่เห็นค่ะแล้วก็ ที่สงสัยก็คือว่ามันมักจะมันยังมีความคิดนำอยู่บางทีในเวลาที่นั่งนั่งในรูปแบบเนี่ยค่ะมันก็จะเห็นความเห็นแก่ตัวเขาไม่ดีกิเลสต่างๆหรือว่าความไม่พอใจอย่างเวลาที่มีงานเร่งเข้ามาอะไรเงี้ยมันเห็นความไม่พอใจแต่มันก็จะไปคิดเหมือนกับคิดนำหรือว่ามันเคยเจอแล้วว่ามันไปรู้สึกว่าเพราะว่าเรารักตัวเองคือไอ้คำนี้ค่ะมันมันเคยมาก่อนหน้านี้แล้วมันมันเข้าไปยึด ไอ้ตรงนี้มันก็เลยทําให้รู้สึกว่านิสัยเรากลายเป็นแย่ไปอีกแล้วพอฟังซีดีหลวงพ่ออันหนึ่งหลวงพ่อเทศว่าเพราะว่ามันหมายผิดพอพอตรงนั้นปุ๊บพอได้ยินมันก็เหมือนกับว่ามันอ๋อมันทางนี้ก็เลยไปเข้าใจให้มันชัดเจนขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันก็กลับมาใหม่คือพอมันเมื่อไม่กี่วันพอมันเห็นว่าที่เราไม่พอมีความพอใจไม่พอใจเนี่ะเพราะว่าก็เพราะว่าเรารักตัวเองอีก พอมันวนเป็นอย่างเงี้ยแล้วต้องอยังไงนอย่าไปคิดเยอะไปดูสภาวะสดๆร้อนๆที่มันเกิดดับนะอันนี้มันคิดนำแล้วเวลาที่มันเห็นว่าแบบพอมันเกิดคําว่าเพราะว่าเรารักตัวเองอันนี้ก็คือรู้ว่ามันคิดนำใช่ใชรู้<ช>ว่ามันคิดนนะําแล้วก็ปล่อยไปมันจะไปตัดอารมณ์ให้คิดอย่างเงี้ยไม่ตัดอารมณ์ได้ก็คือถ้าอย่างนี้ก็คือพอเห็นความพอใจไม่พอใจถ้าเกิดอันนี้ก็คือรู้ว่าเราหลงถูกไหมอาจารย์พอ เราเห็นความพอใจไม่พอใจแล้วมันข้ามไปนึกว่าเพราะว่าเรารักตัวเองก็คือรู้แล้วว่าเรากําลังหลงใช่ใชรู้ทันเลยว่าฟุ้งซ่านแล้วไอ้รู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วแล้วทั้งสุดท้ายหลวงพ่อเคยเมตตาบอกว่า อ, อย่างฟุ้งซ่านมากตอนนี้ดีขึ้นมัง้งเลยพ่อนี่แหละไอ้ตัวที่คิดเอาว่ารักตัวเองนี่นก็ฟุ้งซ่านอย่างหนึ่งนะแต่มันฟุ้งซ่านแบบมีชั้นเชิงดูเป็นธรรมะคืออันนี้ก็ถูกหลอกแล้วใช่ใช่อย่าไปเชื่อมันแล้ว สิ่งที่ควรทํานี่คือรู้ราปัจจุบันไปนะจิตมีกําลังพอดีดีขึ้นเยอะแล้วฟูว ก, กน้อยลงกรร น, น <laughs> วัสการฟุประณีตขึ้นกรรนวัสการครับส่งกันบ้านครบสิบสอท่านแล้วครับในโอกาส น, นี้จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลา ล, ลุงชินกล่าวคําถวายทา น, นะครับทุกท่านน้อมใจตามครับ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 อิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิฉตุสัพเพปูเรนตุสังกป่าจันโทปนรโสยธามนิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพโรคโควินั ส, สตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีตีคายยโกภวะ พิวาธนาสีเลสนิจจังวุธาปจายิโนช ต, ตาโรธรรมาวทันติยอายุวันโนสุขังพระลังสาธุอาอนานะอย่าให้ผ่านวันคืนไปโดยไม่ได้ทำ